พอๆกันอาจารย์คะที่ที่ว่าอยากจะขอเรียนถามคุณครูว่าเวลาที่เราอยู่ในสถานการณ์ที่เราคิดว่ามันขับขันกับตัวเราอ่ะค่ะแล้วเราก็ท่องทาขึ้นมาอ่ามันลักอย่างที่มันจะหมายถึงเรากําลังหนีจากภาวะการขับขันนั่นหรือป่าสติปัญญาเพียงพอที่จะเถเชิญกับสิ่งที่ขับขันนั้นหรือเปล่า ถ้าสติปัญญายังไม่เพียงพอต้องท่องท่าเปลี่ยนเปลี่ยนจากกา ร, รเผชิญมาสู่การท่องท่าแต่ไม่ใช่ว่าหลบหลีกจากสิ่งที่เป็นต้องยอมรับสิ่งที่มันขับขันอยู่นั่นที่มันเกิดอยู่นั่นต้องยอมรับแต่ปฏิเสธไม่ได้เราก็ต้องท่องเพราะเรายังมีกําลังไม่พอด้วยสติและปัญญาใช่ไหมล่ะ ท่องขึ้นมากำกับกำกับจิตมตันจะมีหนึ่งท่องเพื่อให้จิตยูกับการท้องอย่างสองท่องเพื่อเป็นฐานรองรับจิตให้จิตเผชิญกับสิ่งที่รับขันที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้านั้นไปได้กันเลยนะอันแรกท่องเพื่อ กำกับจิตก่อนประเภทที่สองคือลองรับจิตให้เผชิญกับสิ่งที่ขัดขันนะพอเขาจะมันใช่เราต้องเข้าไปดูกำลังของใจเรา่ากำลังใจเราเพียงพอที่จะกล้าเผชิญแค่ไหนถ้าจะกล้าสามารถ ม, มีใจที่จะกล้าเผชิญได้ก็เผชิญเลย แต่สติปัญญาต้องพร้อมนะไม่ใช่เผชิญแบบดื้อนะถ้าเผชิญแบบดื้อก็โง่แม้จะผ่านมาได้ก็โง่เพราะไม่เกิดการเรียนรู้เพรา ะ, ะนั้นอาตมาแนะนำกา ร, รเผชิญโดยการท่องทาาไปด้วยและกล้าที่จ ะ, ะเผชิญไปด้วยอันเนี้ยมันจะเกิดการเรียนรู้เพราะเราจะไม่ปฏิเสธ สิ่งที่เกิดขึ้นด้วย <c oughs> มีบทธาดกรรมฐ า, านสี่กำกับอิท ด, ด้วยและก็เปิดโอกาสให้อิทได้เรียนรู้สิ่งที่ผ่านเข้ามานะั <c> ้น <oughs> โดยมีธาดกรรมฐ า, านสี่เป็นเครื่องรองรับ น, นี่ายถึงอันนี้คือต้องสําหรับคนที่ท่องธาตุมาก่อนแล้ว น, นั่นเองอ่า น, น, นได้แต่ถ้ายังไม่เคยท่องก็ต้องกลับไปท่อง นี่นนบางคนสงสัยว่าทำไมข้องธาตุมันช่วยอะไรธาตุสีมนก็ไม่ได้ช่วยอะไรหรอกก็จริงๆก็เป็นเครื่องเรียนรู้นั่นแหละจิตมันมีที่อยู่รู้สึกยังไงนะคะก็ใช่ก็นั่นแหละคือเครื่องรองรับมันมีที่ตั้งของมันเรียกจึงเรียกว่ากรรมฐานเนี่ที่ตั้งแ ห, ห่งการกระทําเราต้องหาที่ตั้งให้กับตัวเราเพื่อกระทําต่อสิ่งต่างๆที่เขามาเกี่ยวข้องกับชีวิตจะคล้ายๆเป็นการไปหูตัวเองครับ ต้องหวงก่อนดิตอนแรกสติปัญญายังไม่พอเรนต้องเกิดการห่วงก่อนเพอในระยะแรกๆเพื่อมาปฏิบัติกลัวตายเหมือนกันตอนที่เจ็บที่ปอดห่วงตัวเองไม่อยากจะตายห้าสิบแต่รู้ว่าการก่วงมันห้าสิบอร์เซนตอีกห้าสิเอร์เซนก็คือไม่ไม่ไม่ ไ, ม ไ, มไมห่วงแต่อีอกห้าสิบเปอร์เซนต์ห่วงก็เรายังไม่รู้อะไรเลยทำไมมาตายตอนนี้ก็ไม่รู้อะไรเลยนะมันมันก็ห่วงไง หวงเพราะปฏิบัติมาทั้งหมดว่าได้ปฏิบัติมาเพื่อจะมาตายแต่ปฏิบัติเพื่อจะรู้แต่มันยังไม่รู้แล้วมันจะมาตายก่อนนไงมันก็ยังหวงอยู่ไงมันก็ต้องหวงเป็นธรรมดาเป็นธรรมชาติเราต้องยอมรับในสิ่งเหล่านี้ในตัวเราด้วยกลัวก็ต้องยอมรับกับกลัวอย่าปฏิเสธตอนที่ไข่ไข่หนังมันมันมันร้อนทุกมากมากแล้วที่นี้มันมีทองพลาดกรบมัฐานศีมามาสวนสู้กันเลยนะ ก็อันนี้มันเป็นยังไมานเ้นะเราก็เล้ยงตามใจท่องนะร้อนมัร้อนเหมือนจะระเบิดแั้วแหละไข้ครับไข้นังมันไม่สบายทุกขรมากหนแต่ไม่ยอมขาดแต่ตัวนี้จะท่องสู้อันนี้มันเป็น้ครับอันนี้ยังไงก็ก็เป็นยังไงก็ต้องก็ต้องถามตัวเราสิเป็นยังไงล่ะผ่านมาได้แล้วเป็นยังไงล่ะไมันก็ผ่านไปได้ครับก็ผ่านไปได้แล้วเป็นยังไงผลเป็นยังไงก็ต้องเป็นปัจจิตังในตน อขาตมาตมาไม่เคยใช้ธาตุกับทหารสีไปสู้อย่างนั้นไข้ก็ให้มันไข้เป็นก็ให้มันเป็นสู้แต่มันพิจารณาอ๋อมันเป็นของมันเองนี่เราแสดงว่าเราฝึกจิตเพื่อสู้กับอาการในกายมันก็เลยเกิดขึ้นมาเพื่อกระทําตอบต่ออาการแห่งความเจ็บป่วยของมันเองเพราะเราฝึกมันอย่างนั้นเนี่ยสังเกตว่าเราฝึกมันยังไงมันก็จะทําอย่างนั้นอธมาฝึกพิจารณาแย่ กายเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแย่อย่างนี้เกิด ค, ความเจ็บป่วยก็ใช้วิธีการอย่างนี้ตลอดมันก็เลยติดอยู่ว่าเมื่ออะไรมามามามาเขี่ยวโยมกับเราด้านความเจ็บป่วยอาภาษก็มันก็ใช่มันก็ใช้วิวธีการแ ย, แ ย, แ ย, แ ย, แย่อแย่ขัดแย่ขันก็ใช้ได้ผลมาตลอดมันมาใช้ไม่ได้ผลเมื่อตอนป่วยหนักๆ น, ก น, ก น, กนี่ เอ๊มันทำไมใช่ไม่ได้ผล พ, พี่นาไปพี่นามาจึงเกิดสัญญาณกรรมที่เป็นนิมิตขึ้นมาให้ทราบว่าเคยทําอย่างนี้มาอ๋อกรรมนี้จะใช้วิธีไหนก็ ต, ตามแก้ไม่ได้ทับเจ็บป่วยท ร, รมราด้แก้ได้ที่เกิดจากฤ ด, ดูฤ ด, ดูกาล <S S S 2> เขาเรียกว่าเกิดจากการบริหารการไม่สม่ำเสมออะไรพวกนี้มันแก้ได้ ที่สมุทฐานโลกแต่กรรมนี่แก้ไม่ได้ยังไงก็แก้ไม่ได้ทําให้เบาบางได้แต่แก้ไม่ได้ถ้าโลกเกิดจากกรรมนั่นนะมีกรรมเป็นสมุทฐานโลกทุกอย่างไม่ได้เกิดจากกรรมใช่ไหมผู้ย้าบอกสมุทฐานของโลกมีอยู่แบบมีลมเป็นสมุทฐานลมมากเกินไปในพองในไส้ ก็แก้แก้ไขที่ลมลมมันเสียดท้องเสียดไส้เสียดตัดแม้กระทั่งควบหัวใจได้นะเวลามันเสียดมันแทงทิ่มแทงลมแงทงไปที่หัวปูดโดยไม่รู้ตัวก็นี้มีลมอันนี้ใช้กระเทียมในพวีณาอย่างนั้นกัวสดุดกระเทียมไล่ลมขับลมคิงทุกคเนี้ยใช้ไหมหอมหมดเลยทีนี้ มีลมเป็นสมมุติฐานมีดีเป็นสมุติฐานมีสเสลดเป็นสมุติฐานมีทั้งลมทั้งดีทั้งสเสลดพร้อมกัน3อย่างเป็นสมุติฐานมีการบริหารร่างกายไม่แฉลบเสมอเป็นสมมุธฐานมีฤดูการเป็นสมมุธฐานของโลกและมีกรรมเป็นสมุธฐาน8ประการนี่ยจำมันจำได้เท่านี้เจ็บนะเจ็เนี่ยแม่มันเรื่องความจำมันจำไม่ได้เยอะเราจะพูดถึงเรื่องความจำ พระธเจ้บาบอกว่าเหตุปัจจัยที่ก่อให้เกิดโรคมีเ 7. 7ใช่ไหมที่ที่ที่เป็นไม่เกี่ยวกับกรรมนะมี u เจ็ดเหตุปัจจัยที่ไม่เกี่ยวกับกรร ม, ม อ, 7. อันที่อันอันที่8ปนี่คือกรรมอันกรรมเนี่ยแก้ไม่ได้แต่อันอันเนี้ยแก้ได้แก้ได้ไม่ใช่แก้ได้คือให้มันหายคือสงบสงบระงับได้ไม่ถึงไม่ถึงกับ่าแก้สงบระงับมัน เขาเรื่องความเจ็บป่วยเป็นเรื่องที่ต้องเป็นอยู่แล้วกับกายกายของเขามันเป็นของเขาอย่างนี้มาแต่ไหนแต่ไรแล้วไม่ใช่ขึ้นจะมาเป็นมันเป็นวิถีทางของเขาที่เขาเป็นก่อนที่เราจะมาเกิดมันก็เป็นของมันอยู่อย่างนี้มันต้องมันต้องแก่มันต้องเจ็บมันต้องเกิดโรคมันก็ต้องตายซึ่งเป็นวิถีทางเส้นทางและความจริงที่เขาเป็น เป็นอย่างนี้ยังไงก็ต้องเป็นอย่างนี้เป็นอย่างอื่นไปไม่ได้เมื่อมีกายก็ต้องมีแก่มีเก็บมีความป่วยอาพาธแล้วก็มีความตายมันเป็นเรื่องของเขาที่เขาเป็นปัญหาของเราคือเราไม่อยากให้เป็นก็สมบระงับได้พระพุทธเจ้าก็ใช้วิธีขับไล่อาพาธด้วยองค์ฌานของพระโองค์เราก็ใช้ธรรมะโอสถนี่แหละ ก็ใช้ในกรณีนี้ก็ต้องยอมรับว่ากรณีที่แก้ได้ก็ได้กรณีที่แก้ไม่ได้ก็แก้ได้หลายทั้งที่เกิดปัญหาเรื่องธาตุขันไม่ค่อยจะดีอาตมาก็ใช้วิธีการเนี่ยพิจารณาเนี่ยขาดเนี่ยขาดมันใช้มาเป็นปกติมาแต่ไหนแต่ไรนะจริงๆก็ใช้เพื่อแก้จิตมันหละแต่ ในจังหวะที่เราอยู่ในป่าเราไม่มียารักษาโรคเนี้ยจะใช้อะไรละ่ะก็เลยนึกถึงแต่ธรรมะเี่ถ้ามันจะเป็นโอสถได้ก็ให้มันเป็นโอสถถ้ามันไม่เป็นโอสถก็ถือว่าเป็นเครื่องพิจารณาในจิตก็แค่นั้นเอเป็นเครื่องอยู่ดีกว่าว่าปล่อยให้มันถูกอ า, าพาธครอบงำอันนี้คือกรณีหนึ่งนะนี่กรณีหนึ่งนะนี่กับกรณีที่เราจะใช้โลกภัยไข่เก็บ เป็นเครื่องมือในการภาวนานั่นก็อีกกรณีหนึ่งคือปล่อยให้จิตรับทราบกับอาการที่เกิดพร้อมกับมีกรรมฐานในจิตแต่ตามมาว่าการพิจารณา น, านี้ใช้ได้ดีกว่า ห้ามการเกิดไม่ได้หรอกกายมันจะเกิดอะไรขึ้นมันรองห้ามมันไม่ได้และมันจะเกิดอะไรที่มันไปมากกว่า น, นี้เราก็ไม่รู้เพราะการความเป็นไปต่างๆนานาของกายเพราว่าต่างๆนานาคือมันร้อยแปดพันประการที่มันจะเป็นอันที่แค่โปดหัวตัวร้อนเป็นไข้เราก็เป็นกันมาไม่รู้เท่าไหร่ตอเท่าไหร่ใช่ไหมตั้งแต่เด็กมันหายไหมล่ะ เราเป็นวัตนะั่านแต่เด็กเป็นมาขี้บูกไหลอาบแก้มอยู่ติดอยู่ตามปากตามเนี้ยจนทุกวันเนี้ยวัตยังเป็นอยู่ใช่ไหมมันมันหายจริงหรือเปล่าล่ะไม่หายแก่จนก็ยังก็ยังจะเป็นอยู่วันน่ะหายเวที่ไหนหรอกเรื่องที่ต้องเป็นร่างกายเนี่พอฤดูกาลที่มันจะมาถึงก็เป็นแลกเปลี่ยนกันมาหากันเยี่ยมกันที <c oughs> เลยว่าวัดดีวัดดีเอ้าขึ้นวัดแล้วก็ดีเมันปูคุ้มกันสร้างภูมคุมกันสู้เลยทองสู้เองแล้วมันว่าเทำวกมันดีนมันทุ้ก็คายตรงนั้นมก็หายเปนน้ำคูแล้วมันจะรวมบอลกั หลัมันบลงยแล้วมันทุกข์รอนทุกข์มากมาจะร้อูลายเลดาอามหมองหมอหกลาก็คือเวทนาถาหวง่ายก็ก็ยังพอใจกับขันอยู่พอใจในขันก็พอใจในทุกข์อยู่หวง่ายก็คือยังหวงตัวทุกข์ไว้เอาไว้ทุกต่อเาก็เมื่อมีกายก็ยังมีโรคภัยไข้เจ็บไงก็ยังมีทุกข์อยู่ก็เอาไว้ทุกต่อไป ก็มันอยู่ในวิถีของการห่วงก็ยังห่วงกันไปแต่ห่วงแบบมีสติปัญญายังมีธรรมะเข้าไปคอยแก้ไขกันอยู่นะแต่ก็ห่วงไปแต่ทุกคุยจ้าบอกว่าบุคคลผู้มีปัญญาแม้จะเกิดแล้วเกิดอีกก็ไม่ได้เกิดแบบยังไงเกิดแบบไปตามกระแสของวัตถนะเกิดเกิดเพื่อทําลายวัตวตะ เกิดเพื่อสร้างประโยชน์ทั้งประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นผู้มีปัญญาบัณฑิตผู้ชนะแม้จะเกิดอยู่บ่อยก็ไม่ได้เกิดเพื่อเบียดเบียนคือก่อกวนและทำลายใครเกิดเกิดขึ้นก็เกิดขึ้นเพื่อเป็นไปเพื่อความเจริญก็ยอมรับความเกิดเป็นความทุกข์มันก็ต้องทุบกันไปแต่เป็นความทุกข์โดยมีสติปัญญาเข้าไปแก้ไขอยู่เป็นความทุกข์เพื่อดับทุกข์ ไม่ใช่สร้างความทุกข์เพื่อสื่อต่อทุกข์ให้กับตัวเองอยู่ตลอดมันมีตัวหวงอยู่ก็ให้มันหวงแต่เราก็มีตัวแก้คือทำทำเท่านั้นเป็นตัวแก้ถ้าไม่มีทำมันก็แก้ไม่ได้ต้องใช้ปัญญาของจิตใช่มันก็ดับไปด้วยการโลภก็ดับธาตุกรรมฐานก็ดับก็ดับไปด้วยกันทำมากเกินตกคือภายใต้การเกิดธรร กิเลสก็ตกอยู่ภายใต้การเกิดดับทุกอย่างตกอยู่ภายใต้การเกิดและดับเกิดแล้วก็ต้องดับเกิดแล้วไม่ดับไม่มีบางคนบอกไม่มีได้ยังไงพระอาจารย์ทำไมโยมยังรู้สึกว่ามันมีค้างอยู่ในใจไม่มันดับสักที <c oughs> อันนั้นอันนั้นไม่ได้เกี่ยวกับว่า มันค้างหรือไม่ค้างเราไม่เห็นการดับของมันเองใช่ไหมล่ะเมื่อไปเห็นการดับของมันเองก็เลยกลายเป็นการหน่วงหน่วงนึกถึงอารมณ์อันอันที่มันยังไม่ดับเป็นหน่วงนึกเอามันเป็นมโนปวิจารผู้เจ้าเรียกว่ามโนปวิจารณการหน่วงนึกถึงลองไม่หน่วงนึกถึงมันจะมีไหมล่ะมันก็ไม่มีเพราะสิ่งใดก็ตามเกิดมันดับแน่นอนกิเลสเกิดกิเลสก็ดับด้วยตัวของมัน เป็นอย่างนี้เราก็ไม่ต้องไปดับกิเลสเลยเพราะกิเลสมันดับี่ตัวของมันเองได้ยัง ไ, ไงใช่ก็ไม่ต้องไปดับกิเลสเลยอ้อาแล้วเราจะปฏิบัติยังไงถ้าไ ม, ไม่ดับกิเลสแล้วทุกวันนี้ปฏิบัติกันเพื่ออะไรถ้าไ ม, ไม่ดับกิเลสรู้ว่าัน เดี๋ยวมันก็จะดับไปก็นั่นแหละมันก็ดับแต่เรามาปฏิบัติกันเพื่ออะไรก็มันเกิดเกินอยู่แล้วดับอยู่แล้วกิเลสก็เกิดอยู่แล้วดับเองอยู่แล้วถ้าไม่มากำหนดรู้มันเราก็หลงเข้าไปอยู่กับมันหลงไปเป็นกิเลสหมายถึงว่ากิเลสมันเกิดเองดับเองด้วยตัวของมันเองเพราะความหลงไม่เข้าใจในข้อนี้จึงเข้าไปเป็นอาการกับอาการของกิเลสที่เกิดและดับด้วยตัวของมันอยู่แล้วอย่างนั้น ตลอดวันตลอดคืนเราจึงมาทําได้เพียงแค่เจริญมรรคมรรคก็บอกให้เราเข้าไปเห็นทุกเห็นเหตุให้เกิดทุกเห็นความดับของทุกเห็นทางปฏิบัติที่จะเข้าไปดับว่าปฏิบัติต่อทุบโดยการกําหนดรู้ปฏิบัติต่อสมุทัยโดยการละปฏิบัติต่อนิโรธโดยการทําให้แจ้งปฏิบัติต่อการปฏิบัติอย่างเนี้โดยวิธีการให้มันมากขึ้น จเจริญขึ้นถูกต้องไหมก็ันคืนผ่านไปผ่านไปเราก็ต้รู้ทุกรู้เหตุที่เกิดทุกอย่างนี้ก็คือจเจริญมาส่วนกิเลสที่มันถูกรู้การถูกรู้มันเกิดมันดับแล้วถูกรู้มันจะไม่สร้างพบใหม่แต่ถ้ามันเกิดมันดับโดยที่เราไม่เข้าไปทุกรู้และไม่ถูกรู้ตัวของมันก็ไม่ได้ถูกรู้จากเราเราก็ไม่ได้ไปรู้การเกิดการดับของมัน มันจึงก่อให้เกิดพบเกิดชาติแล้วก่อให้เกิดอุปทานขาดที่เป็นตัวทุกสืบเนื่องอย่างไม่มีที่สิ้นสุดใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราจรึงมาปฏิบัติตรงที่จเจริญมากให้เต็มมากเต็มมันจะไปทําลายเชื้อแห่งพบมันมีเชื้อของพบอยู่กี่เลเเกินดับก็ตามแต่เชื้อให้เกิดคืออะไรท่านนั้นน่ะมันจะเข้าไปทำลายเชื้อให้เกิดกี่เลเคืออะไร เชื้อให้เกิดกิเลสเนี่ยมันมีอยู่แบบมันมีอยู่แบบอะไรวาเป็นพื้นยืนให้กิเลสเกิดจากมันเลยหรืออะไรตัวเชื้อเนี่เชื้อให้เกิดกิเลสไม่ เ, เ, ไมเ็ไม่ไมึไม่มีเหก็มีครับชื้อเนเหตนั่นแหละก็คือเชื้อเชื้อของกิเลส มันมีอยู่เป็นพื้นยืนคือมีอยู่โดยตายตัวเพื่อเพื่อรอให้กิเลสเกิดอย่างเงี้ยใช่ไหมไม่ไม่ใช่ตายตัวนี่นี่ผมใช่ยังไงกันแน่ขัดแยกกันเองเราไม่รู้สิคานาจาอนุใสค่ะฮะคานาจานสแสดงว่าอนุใสนี่มีอยู่ตลอดมีอยู่ตลอดเป็นพื้นยืนให้กิเลสเกิดโดยที่มันไม่เคยดับตัวมันเองเลยอย่างนี้ใช่ไหม ร้ารู้สมันก็ด้่ตายตัวมันมีหญ่จากกามีผัสสะแล้วมันจะเกิดเหตุ่นั้นมีผัสสะทำก็เกิดไม่ได้มีตายตัวครับมันจะต้องมีเหตุมันไม่ได้มีอยู่ตายตัวผัสสะจึงเกิดแสดงว่าผัสสะเป็นตัวเชื้อแห่งภพเหรอไม่ว่าเป็นอะไรจะไม่ใช่เชื้ออะไรอะไรเป็นเชื้อแห่งภพพอไม่รู้เลครับอ่าถูกต้องพอไม่รู้ ตัวนี้คือเสียสืสันตังไล่ค่ะใครต่คิดต่อคูไมใช่ครับได้ความหมายมันสืรูปสืหลานตัวเนี้ย่าองนใช่ไหมครับทํามองนี้เขาใจนะี่ว่าภาษาเนี้ยมันมันก็มนกว่ามันมาจากตัวแม่เขาเริมาสืบตัวนี้ไม่มีมันก็ไม่เกิดก็ไอ้ตัวแม่เนียตัวเชื้อนี่เชื้อแห่งพบนี่เพาไม่รู้เพไม่รู้ดิตัวเชื้อมันจะไปทาลายเชื้อแห่งพบคือ มากเนี่ยจะไปทำลายเชื้อแห่งพวกไอสิ่งที่มันสร้างขึ้นมาคือกิเลสทั้งมวลที่ก่อให้เกิดความเศรมองในจิตเมื่อถูกรู้จากเราตัวมันก็ถูกรู้เราเข้าไปรู้แล้วก็เห็นใหมไหลเห็นเกิดเห็นดับเห็นเกิดเห็นดับเห็นเกิดเห็นดับเมื่อรู้เมื่ อ, อไรเชื้อคือ อ, อวิชาก็ดับไปเมื่อนั้นนะขณะแห่งการที่เราไม่รู้ เชื้อของอภิชาก็สืบต่อเมื่อนั้นเมื่อนั้นแหละเมื่อเมื่อขณะที่ไม่รู้นั่นหนึ่งอารมณ์ที่เกิดในจิตนะบางคนบอกแล้วใครจะไปรู้ทันอ่ะพก็คนรู้ทันมีพระพุทธเจ้าก็รู้ทันมีพระอราหันต์ก็รู้ทันมีผู้ปฏิบัติก็รู้ทันมีอยู่ก็บอกเอาก็อันนั้นระดับท่านปฏิบัติมาท่านก็ต้องรู้ทันสิไอเราจะไปรู้ทันได้ยังไงก่อนที่ท่านจะปฏิบัติเขาไปรู้ทันท่านก็ฝึก มีแต่คนที่ไม่ยอมฝึกนั่นแหละที่ไม่รู้เมื่อไม่ฝึกแล้วไม่รู้จะไปว่าใครเรก็ต้องพลาดตัวเองเราไม่ฝึกเราเองนี่หว่าน่ก็คนที่ฝึกเขาก็จะรู้ไม่มีคนไหนเลยที่ฝึกแล้วไม่รู้มันไม่มีคนที่ฝึกเพื่อจะรู้รู้อย่างน้อยก็รู้ขนาดนั้นแล้วแต่เพียงแต่ยังไม่ดับยังไม่ดับ คือยังไม่ดับเชื้ออย่างถาวรจะดับเชื้อไปทีละนิดทีละนิดทีละนิดทีละนิดเมื่อเรารู้ว่าขณะที่เรารู้อารมณ์อารมณ์หนึ่งขณะที่เกิดน่นแล้วพอไปรู้กําหนดรู้ว่านี่คือทุกนี่คือเหตหุที้เกิดทุกมันเป็นทุกยังไงมันเป็นเหตุให้เกิดทุกยังไงและความดับไปของทุกมันดับไปยังไงรู้ลักษณะการดับว่าดับไปยังไงคือความไม่มีของมันนั่นเองคือความหายไปความจางหายไปความขาดหายไปจากการสืบต่อตัวของมันก็คือการดับการรู้ ทุกการรับการเห็นแจ้ง ม, มันเป็นมากใช่ไหมละ่ะก็รู้อย่างนี้ไปเรื่อยไปเรื่อยฝึกไปเรื่อยมันจะกลายเป็นรู้ตลอดทุกอิริยาบถทั้งยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทําพูดคิดและทั้งกลางวันและกลางคืนแม้แต่หลับก็ยังรู้อยู่ขนาดนันนั่นคือผลของการฝึกเมื่อผลของการฝึกฝึกรู้อย่างนี้ อย่าเอาตอนที่กําลังกำหนดรู้ไปเทียบกับบุคคลผู้เป็นอัตโนมัติแล้วนะั่นจะไปบอกโอ้ใครจะไปทําได้ก็คนที่ทําได้ก็เริ่มจากการทําไม่ได้มาก่อนทางนั้นใช่ไหมทํำมาได้แบบร่มลุกคุกคานมาก่อนทางนั้น่เราจะเอาเอาการทําไม่ได้ในขณาดนี้ไปเป็นตัวกั้นการปฏิบัติที่อยจะปฏิบัติให้เขาไปถึงนู่นไม่ได้ต้องก็ฝึกไปอย่างนี้ไปเรื่อยฝึกไปเรื่อยฝึกไปเรื่อยฝึกไปเรื่อยเรื่อยเรืูร้ทำก็ทำรู้ไม่ทันก็รู้ว่ารู้ไม่ทัน อย่างน้อยก็ยังรู้อยู่ว่าเรารู้ไม่ทัน่ั้ะไม่ใช่ว่ารู้ไม่ทันแล้วก็ไม่รู้อะไรเลยก็กลายเป็นูพอกงำเป็นชั้นเป็นชั้นเป็นชั้นขึนไปแต่สิ่งหนึ่งที่เป็นกับดักกับดักลอกของผู้ปฏิบัติก็คือรู้ทันปั๊บเกิดความรู้ที่รู้ทันนั้นขึ้นมันจะเกิดความรู้ที่รู้ทันนั้นขึ้นแล้วไม่รู้ในความรู้ที่เราไปรู้ทันต่ออาการนั้นคือไม่รู้ต่อองค์ความรู้นะ ที่เกิดขึ้นมารู้นะ่ะไม่ไปรู้ตรงนั้นอาวิชัยก็ครอบงำอีกเนครอบงำตัวความรู้ยังไงะะอาจารย์อ๋อมันก็ยังไงมันก็เป็นอย่างนั้นต้องต้องปฏิบัติไปถึงถึงจะรู้รู้แวพวกที่ยึดจิตผู้รู้ทั้งหลายนั่นน่ะนั่นคือไม่รู้ในจิตผู้รู้ว่าจิตผู้รู้คือธรรมายตาะอันหนึ่งเป็นธรรมอารมณ์อันหนึ่ง หมายถึงว่าเราคันรู้ขนาดอารมณ์แห่งการเกิดกําหนดรู้ด้วยอริยะอริยสัจสี่แล้วเห็นการดับกระบวนการแห่งอริยสัจสี่เข้าใจชัดกําหนดหมายได้ไม่หลมลืมมีสติไม่หลงลืมในสภาวะอย่างนี้แม้มาอิบ ก, ก็กําหนดรู้ได้อีกรู้ทันได้อิบจนเกิดความรู้เป็นองค์ความรู้เพื่อลอบรู้ในอารมณ์ในจิตมีตัวผู้รู้ขึ้นมาแล้วยึดตัวผู้รู้นี้ นี่คือถูกความไม่รู้คอบมจำไปแล้วใช่ยิ่ตัวผู้รู้ก็อวิชากับความนําอิชั้ น, เ, นเมื่อไม่รู้ตัวผู้รู้ว่าเป็นตัวผู้รู้ที่เกิดขึ้นเป็นธรรมายตนณะเป็นอายตนะอันหนึ่งก็ดับไปพร้อมกันแล้วครับก็ถ้ารู้รู้แล้วตัวผู้รู้ก็ดับมันจะมีตัวรู้ใหม่ขึ้นมาตัวรู้ใหม่ถ้าไม่รู้ต่อขึ้นไปอีกว่ามันเป็นธรรมายะตนะ เป็นอายตนะอันดึงใช่ไหมล่ะมันก็จะถูกวิชาครอบงำถ้ามีวิชาวิชาอยู่ปุบมันก็มีเพียงแค่ค ร, รู้เป็นชั้นเป็นชั้นเป็นชั้นก็ละเป็นชั้นเป็นชั้นจึงไม่มีตัวไหนให้ยึดจึงไม่มีตัวไหนให้ถือจึงไม่มีตัวไหนให้อะไรมันก็แค่เข้าใจาสดว่าเป็นตัว อาการหนึ่งขึ้นมาแก้อีกอาการตามภาวะไม่ดีไปยึดถือเมื่อไม่ยึดถือผู้รู้ก็ไม่ยึดถือจิตร้นมากจะมาเติมเต็มผู้รู้หนึ่ครับก็ไม่รู้เหมือนกัน ผู้รู้นี่นะที่เจรนาไปไหนมันก็รู้ไปหมดพิจารณาไปไหนมันก็รู้ไปหมดหไม่มีอะไรไปิดบังมันได้แต่ตัวที่ปิดบังมันคือไม่ให้เรารู้ไอตัวผู้รู้<อ>มันไปนบังอีกชัช้นหนึ่งนี่เลย อ, อวิชานี่หลายชั้นไหมไอรู้ตอนเนี้มันเป็นทำไรวิชาในชั้นนั้นเข้าใจไหมในชั้นนั้นอะชั้นที่มันรู้น่ะไอชั้นที่มันยังไม่รู้มันก็ยังมีอวิชาอยู่แต่บรรดาธรรมายตนะทั้งหมดมันเป็น เพียงแค่อายตนะหนึ่งที่เกิดขึ้นมาแล้วมันก็ดับแต่ที่นี้เมื่อมีผู้ยึดถือไว้มันจึงเหมือนกับว่ามีอยู่ไม่ดับทําไมมีผู้ยึดถือก็มันมีอภิชาเป็นผู้ปิดบังไม่ให้ได้รู้อาการของผู้รู้เพราะมันรู้มันเลยยึดถือไว้มันใชว่าคือว่าเป็นอ น, นัตตานี่ยนะทุกอย่างเป็นอนัตตา <laughs> เพราะฉะนั้น <laughs> จิตที่เข้าสู่ความเป็นโสดาบัน แม้จะมีตัวรู้ขึ้นมาแล้วบุคคลไปยึดตัวรู้นั้นน่ะว่าเป็นเราเป็นเราขึ้นมาก็เลยมีเป็นโสดาบานันเราเป็นโสดาบันขึ้น <c oughs> อันนี้เข้าใจอย่างนี้มครับถ้ามันเจออริชายไหม <c oughs> พ่อพอรูปวักเนี่ยตัวนี้คือคือตัวนี้ดับพวกมันก็ดับตามไงจริงๆงมันดับพร้อมกันเล ย, เลยในขณะที่โสดา ป, ปฏิบัต ที่เป็นมรรคจิตนี้ปงางฐานสกยธิธถีทันิีพานปรากฏขึ้นมาพร้อมกันขณะที่ปงางานเกิดขึ้นมาปั๊บตัวโสดาปฏิมากรนี้ก็ดับลงไปเพร้อมพร้อมกับสกยธิตถิเมื่อสกายธิถีดับปั๊บโซดาปฏิผลนี้ก็ดับเกิดเป็นโซดาปฏิผลไอโสดาปฏิผลนี่แหละที่ที่ที่ถูกยึดใช่แต่หากดูจริงๆโซดาปฏิผลนี้ก็ดับด้วย หากมีสติดูจริงๆโสดาสติผลนี่ก็ดักด้วยถ้าต่ไม่ทำดับก็ไม่รู้ใช่ไหมเพรารู้ป้อดับปั๊บโซดาปฏิมาโดาลนี่ครับอะไจะทำหนักแต่ที่จริงเอาแค <tong> ่ไม่ถึงแค่ชั้นโสดาบันนะเอาแค่แค่ น, น่ะแห่งกิตที่ยังไม่เคยรู้แ ล, แล้วเกิดความรู้ขึ้นพอเกิดความรู้ขึ้นปั๊บไอความไม่รู้ก็ดับไปพอความไม่รู้ดับไปปั๊บไอความรู้เนี่ย จริงๆก็ดับไปด้วยแต่การตอนตอนที่มันดับไปน่ะมันจะทิ้งคุณสมบัติคือความไม่หลงลืมในการกําหนดรู้เขาเรียกวา่วาสติสติทําหน้าที่ไม่หลงลืมในตัวที่มันเห็นการเกิดการดับแล้วสติก็จะทําหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะไปเป็นไปทําอะไรสักายยิติิพอสักายยนติิถูกทำลายโสดาปฏิมาเข้าไปทำลายปั๊บอธิพ า, านปรากฏโสดาปฏิผลขึ้นมารองรับ พอเสร็วผลไปได้สักระยะมันก็ดับตัวของมันเห็นไหมขนาดมักผลยังต้องดับตัวของมันคือเหมือนกับว่าอารมณ์เนี่ยมันเลยไม่มีอะไรให้ยึดถือแม้แต่ความเป็นโซนวันก็ยังยึดถือไม่ได้ที่เขาคอาจารย์กี่มา้มันสืบคนสบัตากบคนสมบัที่บนยังโกรธยังใจยาๆนี้ตัวรู้ก็ไปสืคนบัตเหมือนกันใช่ไหครับ ไดตัวนี้ต่อต่อจมดับัับใช่ครับใช่ลักษณะน้คือเราจะรรู้แต่คุณบัิที่โกเรารู้ตัวรู้ไม่พอกลังที่จัดการกันไปโกไปทงานสองาั่โมงะรเข้าใจที่ดับว่ามันคุณมบัตขอยู่แล้วใช่เนี่ยบางคนบอกว่าทไมบางอย่างทาไมมันไม่ดับมันดับทำไมจะไม่ดับเพราะเราไม่ไปเห็นมากกว่าเลยจึงเหมือนว่ามันไม่ดับแต่ก็ต้อง ยึดผู้รู้นี่ไปก่อนธรมรมดาต้องยึดตัวรู้แต่ต้องเข้าใจว่าตัวรู้นั้นไม่ใช่ตัวไม่มีตัวไม่ได้เป็นตัวเป็นเพียงแค่ธรรมายตนะอธิบายเป็นอายตนะอันนึงอธิบายให้จิตแต่งนะครับว่าใช่ใผู้รู้ก็ไม่ใช่เราเมื่อเราไปเห็นการดักเนี่ยลยก็ต้องอเห็นว่ามันเป็นอะไรละ่ะไม่ใช่เราแล้วมันเป็นอะไรก็คือเป็นธรรมายตนะเป็นธรรมารมณ์ธรรมารมณ์ธรรมารมณ์มันมีทั้งแบบดีแบบไม่ดีเลยใช่ไหมล่ะแบบโลกิยาแบบโลกุตระ ธรรมารงในชั้นโลกุตตระก็มีก็คืออรอยิมอรอยมรรคอริยผลเหล่านี้เป็นธรรมารงเป็นธรรมายตนะถ้าพิจารณาเข้าไปไม่ถึงในจิตหรือไม่เอาหลักของท่าสีอายตนะมาอธิบายนี่เราจะไม่เข้าใจเลยว่าที่มันเกิดในจิตคืออะไรเพราะนั้นบรรดาคุณธรรม ที่พระโสดาบันท่านเกิดความรู้ขึ้นแล้วคุณธรรมเหล่านั้นเหมือนมากมันมีอยู่มันไม่ได้มีอยู่โดยเป็นตัวตนมีอยู่โดยความเป็นธรรมไมยตระนะคือคุณธรรมเหล่านั้นครุงแต่งกิตของท่านอยู่แต่พระโสดาบันจะรู้ชัดภายในตนว่าความเป็นโสดาบัน เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปพร้อมกับสัตายาญาณที่อินที่ถูกทําลายพร้อมกันไม่ก่อนไม่หลังพร้อมกันเลยมันก็เลยแต่พระนิพพานเป็นอารมณ์เป็นธรรมายาตานะเป็นธรรมารมณ์ที่รองรับจิตเป็นผลให้ส่งผลไปขนาดหนึ่งสุดท้ายก็ดับพระเจ้าจึงสอนพระอา น, นุ์ว่าให้ติดนึกถึง เอต่างสั้นต่งนึกถึงนั่นอ่ะให้เอามาเป็นสมาธิได้ถ้าม่การตื่ น, นึกถึงนั่นหือ ก, การสร้างสติอย่างหนึ่งเนี้ระลึกระลึกไปในอารมณ์พระนิพพานฉะนั้นพูดที่เห็นพระนิพพานแล้วฉะนั้นจึงสามารถระลึกพระนิพพานมาเป็นอารมณ์ของสมาธิได้นั่นคือธรรมชาติอัตตานิตนั่นคืออะไรก็นั่นแหล่นิพพานนัที่เห็นมานั่นเลยในจิตนั่นเอามาเป็นอารมณ์ในสมาธิตั้งมั่นไม่ต้องใช้อย่างอื่นเป็นเป็นสมาธิใช้พระนิพพานเนะี่ย สมาธิในจิตลองรับจิตไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆก็ทราบว่าอ๋อนี่คือธรรมยตะนะก็เป็นอย่างนี้ไปจนลําดับจนถึงอรหันต์พออรหันต์อรหันตมะธร ร, ารลายอวิชาอันเป็นเชื้อแห่งภบอัน ท, ที่สุดแล้วนี้ดับลงไปในตัวของมันพอดับเสร็จเรียบร้อยปั๊บปับ๊อรหรันตมะก็ดับออไปพอมเหลือแต่อรหันต์ผล พลังทำผลก็ส่งผลไปได้สักระยะหนึ่งก็ดับตัวเข้ามาเหลือแต่คุณสมบัติอย่างคุณสมบัติที่ที่จิตมันได้ทาลายเอาซะแล้วนะคุณสมบัติตัวนั้นที่มันยังส่งผลอยู่ปุงแต่งจิตที่เป็นจิตที่ไม่ใช่อาตาเป็นระบบจิตระบบขันก็คือสุญญาตาจริงสุญญาตานั้นคือยังเป็นธรรมารมเป็นธรรมายาตานะรองรับจิตของอรหรันต จนกว่าจะถึงนิพพานคือดับขันทั้งมวลไม่มีขันเหลืออยู่อันนั้นนะดับได้อย่างรอกลอบหมดคือไม่มีขันเหลือพระานที่เข้านิพพานนะั้พระเจ้าจึงบอกว่าเป็นผู้มีสุขอย่างยิ่ง ฉะนั้นผู้ที่เข้าถึงความเป็นโสโดาบันจึงไม่มีความรู้สึกว่าตัวเองได้เป็นโสโดาบันไม่มีเพราะมันดับลงไปแล้วจะไปเอาตรงไหนมาเป็นตัวยืดว่าเป็นมันไม่มีผู้ที่เข้าถึงสกัดทาคามีก็ไม่ได้มีความรู้สึกว่าตัวเองเป็นสักกดทาคามีความรู้สึกนั้นจะไม่มีเด็ดขาดถึงจะมีก็มีแค่ช่วระยะหนึ่งแล้วก็ดับเพราะมันดับไป amigos, ความรู้สึกนั้นก็ไม่มีแล้วเพราะมันเห็นการดับอยู่แล้ว อนาคาณีกม็มีความรู้สึกว่าตัวเองเป็นอนาคาณีอหรหันต์ก็ไม่ได้มีความรู้สึกรู้แต่ว่าชาติสิน้นพระมจรรย์อยู่จบรู้แค่นะกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกก็ไม่ได้ดีคือจะทําเพียรอย่างไรก็ตามเดินโยมพรมทั้งสมาธิก็ตามไม่ได้ไปทำรายกิเลสตัวไหนอีกแล้วไม่มีกิจที่จะไปทําก็ทําไปพอเป็นกิริยาของการการะทําของโลกอะไรประเภทนี้ยจะประมาณนี้แล้วก็มีความรู้สึกว่าตัวเองเป็นพระอรหันต์ เป็นไปไม่ได้มันจะเอาตัวไหนมาเป็นเพราะความรู้มันแจ่มแจ้งอยู่แล้วว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเพียงแค่การปรุงแต่งมันเป็นยอดของสังขาตะคืออริยมรรคอริยผลนี่นะเป็นยอดของสังขาตะเป็นการปรุงแต่งที่สุดยอดสุดยอดที่จะส่งผลให้จิตรู้นิพพานจิตรู้นิพพานจิตก็ดับตัวเข้ามันเองพอดับตัวเข้ามันเองปับ๊บตัวตนของจิตทั้งมวลสลายไปพร้อมกับวิชา หมายถึงว่าอาวิชาดับอัตตาของจิตที่เป็นภายในก็ดับไปพร้อมๆกันเลยสลายลงไปนะยสลายแบบละเหยไปกับอากาศทํารองนี้นะเคยเห็นกลุ่มควันละเหย์ละเหย์จางหายไปอย่างเงี้ยแต่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วมากไม่มีตัวตนของจิตเ ห, เหลืออยู่เลยเมื่อสัมผัสกับนิพพานอันเป็นภาวะสุดท้ายนะก็เหลือแต่ระบบของจิตที่เป็นระบบตามขันธารรมดา แต่ตัวจิตที่เป็นอัตตาชนิดนั้นชนิดที่เคยยึดถือมาแต่ไหนแตไะไรนั้มันไม่มีมีแต่ระบบของจิตสุญญาตาเลยเป็นธรรมายตธนะเป็นธรรมอารนะมณ์ขึ้นมาลองรับจิตที่เป็นระบบธรรมชาติของขันเนี่ยลองรับเพื่อให้อยู่ได้ไม่งั้นก็อยู่ไม่ได้มันอยู่ไม่ได้ฮะ มันไม่มีอะไรให้อย bon hey, pues ok ู่ก็เลยอยู่กับสุญญตาอยู่ความว่าแต่ไม่ใช่ความว่างแบบความว่างทั่วไปนะไม่ใช่ความว่างคนละอย่างนะความว่างอันกําหนดขึ้นนะคนละอย่างกับอันความว่างอันนี้ยอันคนละอย่างคนละระดับธรรมชาติใช่เพราะว่าตราบใดที่ยังมีขันอยู่มันอยู่มันมันก็ต้องมีสุญญตามารองรับเพื่อ รับผิดชอบขันที่มันยังมีอยู่อยู่แต่ถ้าขันดับในเวลานั้นพร้อมกับอัตตาของจิตดับก็ดิพานพันธดีไม่ต้องมาสนยศสูงยศตงสุญญตาไม่มีความจำเป็นแล้วอมันยังเป็นสังขตัดอยู่สัถึงจุดนี้เหมือนจะหมดแล้วเหมือนจะหมดสิสุญญตาไม่จมดีไม่ถ้าถ้ายังมีธาตุขันอยู่นะก็ยังอาศัยสุญญตาเป็นเครื่องรองรับไปอยู่แต่ถ้าดับแล้วสุญญตาก็ไม่มีแล้วลายพร้อมกันหมดเลยลายอยู่เลยดับไปพร้อมกับกายสังขาร จิตต์สังขขันทั้งหมดตัดเพพอศูนย์ญญาตากไ็ไม่รู้จะไปรองรับอะไรก็เป็นนิพพานรองรับศูญย์ยะตาเป็นชั้นๆหนึ่ง เ, เป็นชัดๆแต่บุยตาใช่ญญาตาแบบปฐมฌานศูนย์ยะตาแบบทุติยะฌานศูนย์ญญาตาแบบตติยฌานศูญญาตาแบบจตุทัฌานและสุญยตาแบบศุญญาตาไม่เกี่ยวกับฌาน <c oughs> ก็มี่ไม่ต้องผ่านฌานาผ่านสิ พระพระอริยะเจ้าทุกประเทต้องผ่านฌานถ้าไม่ไม่ได้โฉฌานก็ต้องผ่านฌานก็ผ่านฌานอยู่แล้วฌานจะต้องเกิดขึ้นมาอํานวยผลเพื่อทําหน้าที่มั่งให้เต็มในสมาธิสมาสมาธิไม่ไม่ทําสมาธิมาก็ตามสมาธิถีบริบูรณ์มันจะต้องดึงสมาสมาธิขึ้นมาอํำนวยผลเพื่อทําให้มันเต็มถ้าไม่เต็มมันก็ปรญหากิเลสไม่ได้ฌานเหมือนปฐมฌานหรือฌานสใช่ าบางคนเกิดปฐมฌานก็พอแล้วออพอแล้วบางคนก็เกิดทุติยฌานด้วยกตุตฌานด้วยหรืออารูปฌานด้วยบางคนก็แล้วแต่แต่ละคนไม่เหมือนกันหรือที่ว่ากําลังต้องการปฏิบัติมันรวงเงียงยงย่ยวฌ า, านแบบไหนขึ้นมารองรับเพื่อทําหน้าที่สมาสมาธิที่จะประหารเพือความสุขสุนทรภพนี่ปฐมฌานหรือว่าทุติยฌานมันแล้วแต่ทายาสายในจิต แต่พอสมัชฌาย์อย่างน้อยปอสมัชฌาย์จะเกิดขึ้นมาลองรับอย่างน้อยเลยนะที <S <S ่จะมาพูดถึงเนี่ยคืออย่างน้อยเลยพอสมัชฌาย์จะเกิดมาลองรับเองก็จะลงมา <S <S ไม่ฝุ่นานมาก็ <S <S ก็เกิดมันเกิดอ่ะพระพุทธเจ้าบอกว่าสมาธิเหมือนกับพ่วงน้ําใหญ่ที่สามารถยังกระทําพ่วงน้ําน้อยให้บริบูรณ์ได้นั่นหมายถึงว่ากําลังของสมาธิไหลไปสู่สา ม, มาสังกัปปะ ไหลไปสู่ส ม, มาบาจารย์ไหลไปไหลไปจนไปถึงไหลไปถึงส ม, มาส ม, มาธิเมื่อส ม, มาส ม, มาธิเต็มบริบูรณ์เมื่อไหร่ปราหานกิเลส ก, ก็จะเกิดขึ้นเมื่อนั้นกราบเรียนพระอาจารย์ครับพอเข้าไปรู้อารมณ์มันก็มันก็เกิดแล้วก็มีอันใหม่มาอีกไม่ทันเห็นการดับครับ ให้เห็นการดับของอารมณ์เก่าแม้มีอารมณ์ใหม่มาก็ตามก็ให้ทราบว่าเพราะอารมณ์เก่าดับไปจึงมีอารมณ์ใหม่เกิดขึ้นใช่ต้องบอย่างนี้ด้กนต้องมอย่างนี้ดิคนมากจะไม่มต่อใช่มใช่รู้ว่าครถ้าของเก่าไม่ดับของใหม่มันจะมาได้อย่างไงครับมองภาว่าการเกิดพวกมันน่นคือดับไปเรียบร้อยแล้วอธิบายยี่ดัอธิบายกับจิตว่า การที่เกิดแล้วมันดับรวดเร็วมากเนยเราก็บอกว่านี่คือการดับเรียบร้อยแล้วจากการที่เราเห็นนะใช่อารมณ์นี้เป็นการเกิดใหม่เมื่อเกิดใหม่มันก็ดับใหม่เพราะว่าจะไปยากอะไรจะไปมีการดับหมั่งคือคือคือเราประเมินตามใช่ไหมเรียกว่าอะไรนะมีข้อตามตามที่เห็นนะว่าสิ่งที่มันเกิดมันก็ต้องมีดับใช่ไหมแต่สําคัญตัวนี้ต้องต้องเอาอริยสัจสเข้าไปอธิบายของมันด้วย นี้ทุกเหรอใช่อารมณ์นี้ทุกมันอารมณ์ได้ชื่อว่าเป็นทุกไม่ใช่กิเลสการที่เราไม่รู้อารมณ์ในขณะที่มันเกิด น, นี้คือเหตุที่เกิดทุกเป็นเหตุที่เกิดทุกเราก็ทราบถ้าเรารู้อย่างนี้ปั๊บจิตมันจะเริ่มพัฒนาตัวเองึ้นมาให้มันทันทันต่อการรู้มันรู้ว่าขณะเกิดอารมณ์เราก็บอกอ๋ออารมณ์นี้แหละทาให้เราทุกทุก อันนั้นอันนั้นเป็นเป็นทุกขเวทนาเดียต้องแยกทุกขเวทนาทุกในอริยสัจทุกในไตรลักษณ์แต่ละตัวให้ออกคนละอย่างกันขณะแห่งการเกิดขึ้นแล้วของอารมณ์นั่นคือทุกพูดถึงทุกอรยสัจนรัทุกอริยสัจนะเนี่ยพูดถึงทุกอริยสัจนะแล้วไปมีทุกข์กับอาการที่เกิดขึ้นของอารมณ์นั่นคือทุกขเวทนา แล้วลักษณะแห่งอารมณ์ที่ไม่สามารถปงตัวเข้ามันเองอยู่ได้เรียกว่าทุกในใจรักทุกขลักษณะคือดับไปคือต้องพิณานไกลดีออใช่บางคนบอกว่าการจะเข้าถึงมรรคได้ต้องผ่านใจรักก็ไม่ใช่หรอกก็เกิดดับเพียคือใจรักแล้วแต่เราไม่รู้เท่านั้นแหลว่าขนาดนั้นคือไจรักแล้วเห็นไหมปิดฟังไปเรื่อยปิดฟังจิตก็ไม่ให้เราได้รู้เราต้องอธิบายให้จิตได้เข้าใจความการที่เราไปอธิบายให้จิตได้เข้าใจมันจะจิตจะเกิดความรู้ตามความเป็นจริงขึ้นมัน มันองทำมันอยู่ในนั้นหมดแล้วสติปัะธานสี่สมาทานสี่อินทรีย์ห้าพระาพระหาระหา์หา้าโตรชงเกตมรรคแปดจะไปค้นหาที่อื่นอยู่ในนี้ผลหาเอาอยู่ในนี้ในอารมณ์นั้นหน่ที่เกิดนะ<ช>อธิบายให้จิตให้ทันแม้เราไม่รู้ทันอารมณ์ก็ตามแต่การไปอธิบายให้จิตให้รู้นี่มันจ ะ, ะค่อยๆพัฒนาเขาไปรู้ทันเองถ้าไม่อธิบายมันก็จิตมันก็คือใช่ก็คือไอ้กา<ไ>รรู้ทื่อๆรู้ซื่อๆอัตมาจาึงไม่แนะนํา<ไ>มันไม่เกิดฉลาดได้แค่สงบ การสงบไม่ใช่การละกิเลสมันแค่สงบเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่ามีอารมณ์โกรธเกิดขึ้นให้เราทักใจนายก่อนค่ะอย่าบอกว่าทุกเรียนเรียนลำดับทุกนะคะนี่คือการเกิดขึ้นของอารมณ์โกรธทักก่อนทักอารมณ์ก่อนนี่คือความโกรธนี่คือการเกิดขึ้นของอารมณ์โกรธอารมณ์นี้เป็นกสัจจ์ไม่ใช่กิเลสไม่ใช่ละให้รู้ การเกิดขึ้นของอารมณ์เป็นสมุทัยเป็นตัวก่อให้เกิดตัวทุกข์เข้าใจไหมทีนี้อารมณ์ที่เกิดขึ้นอยู่ตั้งอยู่อย่างนี้ของความโกรดนี้มันเกิดขึ้นมามากแค่ไหนหรือมันเบาบางไปยังไงขณะที่เรารู้มันอยู่ดีขณะที่เราทักอยู่ดี่ต้องเอาอาการจริงนะถือจะอธิบายให้จิตได้ทราบได้ถ้ามัน เกิดขึ้นรุนแรงไปอีกเราก็รู้ว่านี่คือความแปรปวนของอารมณ์เป็นทุกขลักษณะรอยังแปรปวนแปลลักษณะแห่งความแปรปวนกเป็นทั้งอนิจจรเป็นทั้งทุกขลักษณะอยู่ในตัวของมันเองแะแต่เราใน ม, มองเป็นทุกขลักษณะก่อนแต่ก็คืออนิจจรอยู่ในอันเดียวกันันจนเห็นความดับไปของอารมณ์แห่งความโกรธ แล้วทําให้เห็นกันแตบว่าเวลาดับไปแล้วจิตเราเป็นยังไงจิตจิตจิตมันเบาไหมจิตมันสบายไหมกับการที่ขณะที่มันเกิดจิตเราเป็นยังไงกับการที่มันดับจิตเราเป็นยังไงเทียบระหว่างจิตสองจิตอย่างเงี้ยให้เห็นเมื่อเห็นแล้วก็เป็นนิโรธก็แล้วทําให้แจ้งทําให้เกิดความแจ้งการปฏิบัติต่อทุกโดยการรู้ว่ามันไม่ใช่กิเลสปฏิบัติต่อเหตุที่เกิดทุกว่า เมื่อความการเกิดขึ้นของความโกรธนามาซึ่งความพุกเราจะไม่เพิ่มความโกรธจากความโกรธที่มันเกิดขึ้นนี้<ม>คือไม่กระทําตอบต่อความโกรธที่มันเกิดขึ้นนี้อะไรก็ตามที่เราไม่การทําตอบสุดท้ายก็จะแสดงสัจจการในตัวห้องมันขึ้นมาเองคือคลายตัวหรือเปลี่ยนแปลงตัวข้องมันหรือว่าจับตัวข้องมันหรือแสดงสภาวะที่ไม่คงที่ในตัวของมันถ้าถ้าเราไม่กระทําตอบแล้วเราก็รู้อยู่อย่างนั้น มักก็จเจริญขึ้นเรื่อยๆ เ, เราก็เห็นการกลับไปมักก็จเจริญขึ้นเรื่อยๆหนึ่งอารมณ์รักษาทีนี้เราจะรู้รอะไรนะเป็นส ต, ติปัฏฐานสี่ขณะที่ความโปรดเกิดขึ้นกอ่กอให้เกิดทุกขเวทนาใช่ไหมเป็นเวทนาขันขันนี้เป็นสมุทัยสัตว์หรือทุกขสัตว์ ใช่หลงตัวนี้ไม่ได้าาทุกเนี่ยเวลาความปวดเกิดขึ้นแล้วเราทุกเนี่ยถือว่าเป็นความจริงหรือไม่ใช่ความจริงเป็นความจริงแล้วเรายอมรับที่จะทุกกับความปวดได้ไมหมล่ะมันคือความจริงถ้าเรายอมรับว่าเราจะต้องทุกเพราะความปวดไม่ได้เราก็ยอมรับความจริงไม่ได้ฮะ<า>เราก็าต้องยอมรับเราก็ากต้องทุกอยู่แล้ว พรทุกข์ไม่ใกิเลสเข้าใจไหมแต่เราจะไม่สร้างทุกข์เพิ่มคือเราจะไม่สร้างสบุ่ไทยเพิ่มเราจะไม่การทําตอบเราจะไม่โกรธตอบเราจะไม่ทําเรื่องเราต่อจากเรื่องราที่มันเกิดแล้วนี่เท่านั้นแหะคือสิ่งผู้เจ้าต้องการให้ละคือละอย่างนี้ว่าสบุทไทยเป็นของควรละพอเข้าใจได้ยังเพราะฉะนั้นเราต้องทุกกับมันก่อนเพื่อที่จะรู้ ข้างในแต่เราก็ต้องาคายก่อนว่าความร้อนมาจากไหนมาจากเสียงเหตุที่มันทุกข์เพอะไรเพราะเสียงของโยคะถ้าถ้าสมมติว่ามันมันความทุกข์มัน ข, ขึ้นนะไอ้ที่มันเราฟังเสียงที่มันเรายึดในเสียงไว้ค่ะแล้วทีนี้มันเราโยงจะโยงไปเหตุเหตุจากเสียงเนี่ยมันทำให้ทุกข์โยงจะโยงไปหาเหตุแล้วก็มันก็ อธิบายมันั้นก็คายคายคายคายคายคายแบบนี้ก็ใช่ถูกถ้าค่ายอมมองตรงๆมันไม่คายแต่โยมต้องโยงไปหาเหตุใช่ต้องหาเหตุไงเท้หาเหตุมันโยมถึงจับจุดได้ก็โยมต้องจิตโยมไม่ต้องโยงไปโยงไปแล้วให้ดูขนาดนี้มันเป็นทุกข์ถูกทุกข์เป็นสัจจะถ้าอย่างนั้นถ้าถ้าจะดูซื่อ ได้ก็คือเกินไปไงก็คือบอกว่าจะไปดูแบบซื่อๆอย่าไปดูแบบตรงๆอย่าไปดูแบบไม่ได้คิดอะไรไงต้องคิดคิดที่แน่ๆเราต้องเข้าใจเหตุมีสองประการเหตุเหตุที่มาจากภายนอกหนึ่งอันเนี้ยเราแก้ไขไม่ได้แต่เรารู้ว่ามันมีเหตุมันมาจากเหตุกับเหตุจากภายในคือเราสร้างเพิ่มไอเหตุจากภายในเนี่ยพู้ใเจ้าเห็นละไอเหตุจากภายนอกเนี้ยผู้เจ้าเป็นเหุ้ละเข้าใจยัง จมันจะเริ่มรับทราบไปนีเอ๊ะทำไมบอกอยู่เป็นประจำแต่ว่าเรื่องนี้สำคัญเนี่ยเจ้เจ้าตัวคิดอยู่ทุกวันเนี้ยพิจารณาอยู่ทุกวันแสดงว่าเรื่องนี้สำคัญมันจะค่อยๆรับอยไปนีถ้าสำคัญรับเข้าไปรับเข้าไปมันก็นจะเริ่มเออออกับเราได้อ๋อใช่อ๋อใช่อ๋อถูกจริงๆเนี่ยว่ามันจะฉลาดได้จิตนี้โง่โง่ชิบหายใบบอดเลยตัวนี้ไอ้จิตนี้โง่มากจน โอ้ทำไมมันโง่อย่างนี้ด่าตัวเองนะตอนเกิดความรู้ขึ้นมานี่แต่ก่อนทำไมมันโง่ขนาดนี้นะด่าตัวเองก็ได้แต่ก่อด่าแต่คนอื่นที่มาว่าคือทำไมตอนนี้ด่าตัวเองมึงโง่ทำไมไปทุบ ก, กับเขาทำไมยเี้มึงโง่ไปพบไปเกาะ อ, อยู่กับเรื่องนั้นเกอะอยู่กับเรื่องนี้นมึโมงโง่เพราะมึงเองท้ที่ไม่ถูกมองถ้าเราไม่ถูกมองแล้วอารมณ์นั้นมันจะสืบทอดขึ้นมา ถ้าเราจัการได้มันจะไม่สืบทอดมันไม่สืบทอดคุณ <ละ S 1> สมบัติเดี๋ยวเห็นส่วนมันไม่ถ่ายทอดคุณสมบัติของอารมณ์นั้นไปสู่จิตดวงใหม่จิตดวงใหม่ที่เกิดขึ้นมาเมื่อไม่มีอารมณ์สืบทอดมันมันถูกรู้ในขณะนั้นอารมณ์รู้เนี่ยจะเป็นคุณสมบัติของจิตดวงใหม่จิตดวงใหม่ก็เกิดขึ้นมาพร้อมกับสติที่เข้าไปรับทราบจิตเก่าที่ดดาไปขณะนั้นเป็นที่อะไรมันก็จะรู้กันจิตดวงใหม่เกิดขึ้นมารับทราบเนี่ยแต่ถ้าจิตดวงเก่าเกิดความรู้แล้ว ภาวะเห็นความรู้นั้นจางหายไปอีกกําลังมันลดลงอีกแล้วเราถูกแช่กันอีกแล้วรู้ไม่ทันนีนี่ก็ฝึกกันอย่างนี้แหละก็ฝึกใไปฝึกมาฝึกไปฝึกมาเดี๋ยวมันก็จะเริ่มเติบ โ, โตขึ้นมาเองถ้าสมมติว่าคนคนหนึ่งที่อารมณ์แบบนี้มันสืออบทอดมาเป็นปีนี้มันแดงก็แสดงว่าเขาอารมณ์เดิมเนี่ครับเป็นปี ก, ก็แสดง<ะ>ว่ายังยังไม่รู้ชัดในอารมณ์นะ มันเลยลากความเห็นผิดในอารมณ์นั้นยังไม่ได้จึงยึดถืออยู่ก็เป็นเรื่องปกติก็ต้องยอมทุกเพราะยังเรายังยึดถืออยู่ก็ต้องเป็นทุกข์กับมันแต่อย่าไปเพ่งโทษภายนอกเพราะนั้นคือจะเป็นการสร้างอาสวะให้เจริญสร้างการหมักดองไปโทษบุคคลอื่นภายนอกและตัวเองเป็นทุกข์ผู้ไเจ้าพยายามจะสอนให้จิตเราฉลาดตรงที่ว่าแม้เราจะไม่รู้เท่าทันต่ออารมณ์ไม่เห็นอารมณ์เกิดดับก็ตาม ทำยังไงที่ไม่ให้อารมณ์พวกนี้มันหมักดองสันดานเราก็คืออย่าเพ่งออกไปหลวงปู่ดุลบอกว่าอย่าโศกจิตออกนอกคืออย่าเพ่งคือเป็นอุบายทานั้นเนี่แต่จริงจริงจิตมันไม่เคยออกนอกหรอกมันอยู่ในในนี่เลยมันไม่เคยออกนอกไปไหนหรอกแต่นั่นคืออุบายการที่จะไม่เพ่งโทษไงถ้าจะเพ่งก็คือเพ่งการเกิดเรามาเกิดเองนั่นคือการพิธีการที่จะไม่ให้จิตถูกดองสันดาล เพราะถ้าเราหยุดการเพ่งพลอไม่ได้ทุกอารมณ์ที่ผ่านเข้ามาในจิตมันจะถูกหมักดองสันดาลไว้ทุกๆุกอารมณ์ดองไปดิ่งไงยนะแต่คำถามเวลาที่เราบอกว่าอันนี้เป็นทุกโอ้เนี๋ยวพอเรามาเกิดเป็นทุกมันก็จะมีคทำทันที่นในใจว่าวกูจะไปคิดอะไรกันถ <c oughs> ้าขนาดเพราะเราไม่ยอมคิดนี่แหละจิตมันก็เลยไม่รู้จะทุกว่าเรืมันจะสลัดออกจากทุกได้ยังไง ใช่นั่นแหละนั่นคือจิตมันจะเข้าออกมาปฏิเสธเราแล้วมันจะมาสลัดเราออกจากทางแห่งมรรคจิตมันไม่ชอบทุกข์ไมะจิตมันไม่ชอบทุกข์นี่มาคิดทำไมเรื่องท<ร>ุกข์มันก็จะมาค้านอย่นั่นแหละก็ธรตมาก็เป็นชอบสบายด้๋ยวตอนนี้ที้จะนั่งคนที่แบบอู่สบายเฉยถ้าเราบอกว่าแค่นี้เราก็อยู่สบายแล้วถามว่า <ๆ S 2> เราจะต้องกินอยู่เนี่ยเป็นความสูงหรือความพุก เ, เราต้องนอนอยู่นี่เป็นความสูงหรื อ, อ ค, ความพุกข์ตื่นเช้าขึ้นมาต้องรีบขับถ่ายเป็นความสูงหรือความพุกข์เขาบอกว่าเป็นเรื่องปกติท<ส>ี่แบบปกติแต่เนี่นยมันแบบที่เข า, <ส>าเขาบอกว่าเป็นเรื่องปกติปั๊บก็นั้นก็คือเรา ว, ว่าถูกสภาพแห่งสันติปิดปังสันติคือความเปลี่ยนความความสืบเนื่องของอิริยาบถความเปลี่ยนของอิริยาบถ ตอนเป็นอวัภาคนอนดยู่เกระดิกไม่ได้เป็นสูงหรือเป็นทุกข์มันขยับไม่ได้แล้วเนีย่ยจนไปเกิดเป็นแผลกดทับแล้วไปรู้ตอนนั้นมันทันไหมไม่ทันไม่มีแต่หลงว่ากูไม่น่าป่วยกูไม่น่าป่วยกูกอยากจะหายถ้าฝึกไว้ตอนเนี้ยเห็นไหม <c oughs> ถ้าเราไม่ฝึกไว้ตอนที่ยังขยับได้อยู่เนี่ย <c oughs> เอ้ยมันมันไปเจอตอนนั้นแล้วเนีย่ยหนักเลย เส้นเลือดในสมองตีแตกไหมล่ะ ไ, ไ, ไม่รู้ไม่รู้สึกรู้สึกอยู่แต่ว่านนเข้าไปควบคุมมังคับเปลี่ยนอิริยาบถไม่ได้นะอิริยาบถนี่แหละเป็นตัวบงับงความทุกข์ไม่ให้ปรากฏให้เห็ น, นเมื่อก็ขยับเมื่อก็ขยับมันก็เลยไม่รู้สึกว่าเป็นทุกข์แต่การขยับนั่แหละคือความทุกข์ก็มองมอไม่ออกไงองนี้จะบมยังไงเรายังต้องกินอยู่ เอาเวลาหิวเนี่ยเป็นความสุขหรือความทุกข์ทุกข์มันก็มันจะมองไปทางมดาถ้ามองมองเงี้ยให้ใบถ้ามองเงี้ยคนไม่มีทุกข์เนอย่างเงี้ยเขาบอกมึงรู้สึกทุกข์อะไรอย่างเงี้ยเฉยๆก็นี่แหละมันมันต้องรู้ด้วยปัญญาไงมันต้องไปรับทราบด้วยปัญญาถ้าไม่รับทราบด้วยปัญญาจะไม่เข้าใจว่าเราถูกปิดบังไม่ให้รับรู้ความทุกข์มาโดยตลอดจิตเราถูกปิดบังไม่ให้รับรู้ความทุกข์มาโดยตลอดหายใจอยู่เนี่ยเป็นความสุขหรือความทุกข์ ทุกนี้คือพูดดูด้วยปัญญานะเพราะถ้าเราไม่หายใจอ่ะทําไงก็ทุกหรือเปล่าล่ะทําให้ทุกมันจะตายเลยก็ทุกจนตายนั่นแหละเราไม่หายใจมันก็จะดื่นจะตายนี่เละใช่ไหมล่ะนี่ก็ใช้อุบายในการตรงจิตต่อเองครับหรือว่าเฉยอะไรสบายเนี่คือทุกใช่ไหมครับใช่อธิบายให้เอธิบายให้ผิดอยู่แม้แต่นอนหลับเนี่ยก็คือทุกถ้าไม่นอนนะทุก นอนหลับจึงเป็นเครื่องบรรเทาทุกข์กินข้าวจึงเป็นแค่เครื่องบรรเทาทุกข์หายใจก็แค่เครื่องบรรเทาทุกข์อาบน้ําก็แค่เครื่องบรรเทาทุกข์หนาวมาผมผ้าก็แค่บรรเทาทุกข์บรรเทาทุกข์ไว้เขาเรียกว่าไฟที่ถูกกลบด้วยที่เท่ามันไม่ร้อนแรงมากเพราะที่เท่ากรดอยู่แต่ถ้ามันพุ่ออกมาเมื่อไหร่ร้อนมากเลย พุกเหมือนกันนั้นแ ล, แล้วเราจะวางใจได้ยังไงว่าเราเราเป็นสุขคนที่บอกว่าเป็นสุขก็คือคนที่ขาดปัญญามืดบอดมากอ ย, าย อ, ยาอย่างยิ่งเลยแหละอย่างยิ่งเลยแหละี้ยวไม่เห็นภัยในวัตฏะเลยเมื่อไปเห็นภัยในวัตฏะการประพฤติและภากเพียรจะนี้ออกจากวัตฏะไม่ได้เลยไ ม, ไม่รู้ไม่รู้เลยจะภากเพียรยังไงจะไปไปไปไปรับทราบตอนพุกตอนอะไ แปดสิบเก้าสิบไปรับทราบความรู้ว่าโอ้ทาไมมันพุ่งจังไปรับทราบตอนนั้ น, นสติปัญญาไม่ทันหรอกได้แค่บนบนว่าอันนั้นก็ไม่ได้ดังใจอันนี้ก็ไม่ได้ดังใจใช่ไหมเอื้อมือจะไปเกาหลังแต่ละทีีกับยกยากแล้วลุกขึ้นแต่ละทีนี่เหนื่อยหอบแล้วจะไปรับทราบความรู้ตัวนั้นมันไม่ทนันถ้าไม่ฝึกไว้ตั้งแต่แรกไม่มองเห็น ต, ตั้งแต่แรกพอฝึกไว้ตั้งแต่แรกพอความรู้ตอนนั้นเกิดขึ้นปับ๊บถูกแล้ว มันเป็นความทุกอยู่แล้วมันถูกกำหนดรู้อยู่แล้วพู้ได้เจ้าบอกว่าเป็นทูกก็เป็นรูปแล้วมันเป็นอย่างนี้แหล้จะให้เป็นอย่างอื่นไปไม่ได้เป็นวิถีของร่างกายเป็นวิถีของขันมันต้องเป็นอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้มาแต่ในตะไลไม่ให้มันเพิ่งจะมาเป็นและวิถีของขันที่มันเป็นมันจะเปลี่ยนไปเป็นอย่างอื่นในรูปแบบอื่นก็ไม่ได้มันต้องแสดงออกมาในรูปแบบนี้แล้วเขาก็เป็นของเขาอย่างนี้อยู่แล้วนะ จะไปอะไรกับมันล่ะทีนี่ม ag, วววันมีแต่เรื่องของการวางวางวางเห็นหรือยังพอเริ่มเห็นหรือยังกำหนดไม่เห็นก็กำหนดรู้เข้าไปให้มันเห็นให้สติปัญญาเข้าไปรับทราบรับทราบด้วยสติปัญญาไม่ใช่รอให้มันเป็นก่อนพระเจ้าสอนว่านารกมีอยู่จริงไม่ใช่ว่าต้องไปนรกนะทุกคนต้องไปนรกถึงจะรู้ว่ามีอยู่จริงไม่ใช่นะเห็นไหมค่ะเออ ใ ห, ให้ให้หาทางหลีกมันทุกมีอยู่ให้หาทางออกจากมันมันมีอยู่ในกายนี่เนี่ยลองไม่อาบน้ําักห้าวันแค่ไห น, นแต่ประมาณเหนียวตัวนี้ก็ยังอยู่ยากนะสองวันนี่คันยุกยิบยุกยิบตามเนื้อตามตัวเลยก็อยู่ยากนะเนี่ยไม่ใช่สูงนะน่มันจะเป็นสูงได้ยังไงเรามันปิดบังกันไว้ทั้งนั้นเละ ปิดเยความจริงออกมาแต่ละครั้งดูสิเดี๋ยวก็รู้ว่ามันทุกข์แค่ไหนไม่กินไม่นอนไม่อาบน้ําไม่เคลื่อนไหวไปไหนนั่งอยู่นิ่ง ๆ, ๆเอาซิเอาซิเอาความจริงเข้าไปเสนอกจิตซิที่จิตบอกว่ามันสบายแล้วน่ะมันแค่หลงสบายไปแค่ชั่วคราวหนึ่งเองอร์ยิาาออริยาบทมันมาเปลี่ยนแปลงบรรเทาอาการแห่งความทุกข์ไม่เห็ปรากฏชัด ผู้มีปัญญารู้ชัดในข้อนี้แล้วจึงกําหนดรู้ว่านี้ทุกความไม่รู้ความความไม่รู้ในกายสังขารที่มันถูกปิดบังเรื่อยเรียบทเป็นเหตุที่เกิดทุกทุกแล้วทุกอีกจึงหวงแหนตัวมันไว้ไงเอาหวังแหนไว้เพื่อทุกต่อไปอีกไปทํามาหนาะกินในชาติหน้าไปหายาดีๆไว้รักษาโรคในชาติหน้าพอดีนะนวัตรกรรมในอีกสิปีขนะ้างหน้าหรือร้อยปีขนะ้างหน้าอาจจะมียาดีกว่านี้ไปเกิดใช้มัน ใช้ายาชนิดนั้นฆ่ามะเร็งก็ได้นะระบบฟังเข็มคงยังไม่มีแล้วแหละยุคเงี้แงงกันที่เจ็บที่เฉยใช้ยาในยุคสมัยอีกอีกห้าสิบปีหรือร้อปีข้างหน้าน่ะไปเกิดใหม่ไปมีร <ül> ่างกายใหม่ก็ได้ถน้องมันเลือกเกินนะร่างกายฟังใช้ใบอันนี้นะครับน้องเี่ว่าเรียกว่าโกบผุเรียกว่าผุเปี่ยนมุาเปลนมะ ร้อนห่สบาหายใจก็ยังทุกข์ละกินข้าวยังทุกข์เลยตักข้าวใ้่ปากแตละแล้วเคี้ยวเคี้ยวเคี้ยวทุกข์จังวะทุกข์จังวะหาความสุขได้ที่ไหนชีวิตมนันรู้ดีบอกกันเขาว่ามันเทาทุกข์แค่นันเองเทาทุกข์่นั้นเองกระสอบกระสายใช่ไหมกระสอบกระสายนี้ทุกนี่แหละอ๋อนี้เรียกปะทุกนี้ทุกเกิดขึ้นทางสังขารขันนอสังขารขันนี้เป็นทุกข์กว่าทักไปื่อย พิจารณาไปเรื่อยๆฝึกอีกที่นในการนอนไม่หลับเห็นเห็นชัดด้อแบบรมันตอนนั้นนี่เป็นเ็ขมันจริงๆเป็นของมันจริงๆเห็นชื่อไม่ได้เครับเราก็ไปแทรกมันไมได้เลยใช่ไปบอกให้มันหยุดมันก็ไม่หยุดสักทีใช่มแทรกมันไหดเขาแทรกมันอยู่ปอการเพราะมันต้องิกตลอดเาเลยแทรกมันอยู่ที่อยู่เมันก็เป็นของมันั บทมันจะเป็นก็เป็น่ยนของมันแต่เีดี๋ยเราอธิบายไม่ได้รมาอ น, น, นอาใช่ครับน้องอธิบายไม่ได้ว่าภาษาองการโกรธใช่หยจะอธิบายอาจารย์มากมันจะอธิบาย เ, ยออา เ, ายเข้ามาเนั่ยมันไม่ได้นะมอนมากยังไม่ได้เระานั้นมันมกกักจะนุ่นผ่านไปอะไรเพื่อว่า อ, อธิบายเ ข, าข้ากเาตอนนั้นมันยากที่ว่าตอนนี้นนกลังทุกข์กำลังโกรธอย่างนี้มั น, น, ม, นมันไม่ไง่ายครับ นคนก็เข้าไปรู้ว่าเวลาทุกข์เกิดขึ้นกลายเป็นยังไงก็ได้เป็นกายานุปนะัสสนาเะรับรับรู้อาการของกายเมื่อเวลาความโปวดเกิดขึ้นสุขทุกข์ปรากฏในจิตที่เดือดร้อนอยู่ก็เป็นเวทนานุปัสสนาในกายมีตัวตนเป็นผู้เล่าร้อนมีตัวตนเป็นผู้เป็นเป็นเป็นความเล่าร้อนในความโปวดไหมในกายเนะี่ย ใครเป็นผู้เล่าร้อนเส้นผมหรือเป็นผู้เล่าร้อนขนหรือเป็นผู้เล่าร้อนเล็บหรือเป็นผู้เล่าร้อนฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกหรือเป็นผู้เล่าร้อนทำให้เลือดมันสูบฉีดยิ่งไหลรั่วทั่วร่างกายดีเหลือกเกินเราไล่ไปสินี่ไล่ไปไล่ไ ป, ไปอา้าวมันก็ไม่มีตัวตนตัวไหนหนึ่งเป็นแค่ระบบที่มันตอบสนองต่ออาการที่เกิดอารมณ์ที่เกิดเวทนาเหลือสินี่ไล่ไปเรากําลังเป็นสูขเป็นทุกข์กับอาการแห่งความปวดอยู่ตอนนี้ทุกข์ เวทนาตัวตัวไหนมีตัวตนในเวทนาเป็นผู้ทุกข์ไหมก็ไม่ใช่เป็นเพียงแค่อาการของเวทนาที่ปรากฏขึ้นมาตามสิ่งที่มาสัมผัสถ้าไม่มีเวทนาปรากฏขึ้นมาให้ทราบเราก็ไม่รู้ว่าอารมณ์ของความโกรธเนี่ยมันเป็นยังไงดีหรือไม่ดีแล้วเราจะปฏิบัติต่อมันยังไงก็ปฏิบัติต่อวันให้โกกก็กลายเป็นแบบซื่อบื้อไปเพราะฉะนั้นมีเวทนาขึ้นมาถูกต้องแล้วแม้จะทุกข์กับมันก็คือทุกข์กับเวทนาไม่มีตัวตนของผู้ใดเป็นเป็นไปเป็นทุกข์เป็นเวทนาเป็นผู้สวยอาการ เสวยอารมณ์อย่งความปวดและแสดงอาการขึ้นมาแสดงตัวขึ้นมาให้ทราบเป็นเวทนาลูกปศนาว่ารู้ในในเวทนาว่าในเวทนาไม่มีตัวตนรู้ในกายว่ากายในกายกายในกายนี้ไม่มีตัวตนรู้เวทนาว่าในเวทนาไม่มีตัวตนจิตที่นี่ไอจิตเป็นตัวรับเนี่ยรับอารมณ์จิตเป็นผู้รับอยู่แล้วใช่ไหมในจิตตาลูกปศนาจึงให้เห็นอารมณ์อย่างเดียวไม่ได้ใไปเห็นจิตตัวไหนนะให้เห็นอารมณ์อย่างเดียวว่าอ๋อความโปวดเกิดขึ้น ความโกรธตั้งอยู่ความโกรธ ด, ดับเมื่ อ, อมดดดมดดดเมื่อความโกรธเกิดขึ้นก็รู้ว่าความโกรธเกิดขึ้นเมื่อความโกรธดับก็ให้รู้ว่าความโกรธดับรู้ได้แค่นี้ทําเกินกวนี้ไม่ได้ก็เป็นในในจิตเนี่ยมีตัวตนเป็นผู้โกรธหรือเปล่าอก็ไม่มีเมื่อมีมีตัวตนเป็นผู้โกรธก็รู้จิตว่ามีอารมณ์มาจากการกระทบเมื่ออารมณ์เกิดขึ้นตัวตนของผู้โกรธไม่มีแต่ความโกรธเกิดขึ้นมาเป็นธรรมมาลนเป็นธรรมดาของมัน เกิดขึ้นมาเป็นธรรมดาข้างมันใช่เมื่อมันเกิดขึ้นมาธรรมดาข้งมันก็ต้องดับไปตามธรรมดาข้งมันก็รู้จิตเห็นจิตในจิตนั้นไม่มีตัวตนชนิดไหนเป็นผู้โกรธเห็นธรรม ท, ทีนี้ว่าจิตขณะที่เรารู้เรียกเป็นรับทราบอาการโกรธอยู่นั่นเป็นกุศลธรรมอกุศลธรรมหรือพยากตัธรรมโกรธเป็นกุศลหรืออกุศล กุศลเหรอก็อกุศลเหรอเป็นอภยะกตะใช่ไหมเหรอก็ความโกรธไม่ใช่กิเลสอภิยะกตันก็เฉยๆนอกจากว่าเรานอกจากว่าเราเห็นจิตแล้วแล้วก็ในจิตเนี่ยยังมีรู้สึกว่ามีตัวตนเป็นผู้โกรธอยู่ก็คือเป็นอกุศลอะ แต่ถ้าเราเห็นจิตแล้วในจิตนะ่ะไม่มีตัวตนของผู้โกรธมันเป็นอภพยกาตาแต่เราก็ต้องยอมรับว่าเมื่อไรก็ตามที่สติปัญญาเรารู้ไม่ทันเรายังเห็นมีตัวตนเป็นผู้โกรธอยู่สังเกตง่ายๆคือจะไปพุงแต่งความปวดเพิ่มจากความปวดเดิมที่เกิด น, นั่นคือยังมีตัวตนแต่ว่าในใน ใ, ในเวทนามีตัวตนคือเรานั่นแหละเข้าไปยึดนะ ก็มองว่าอจิตเราเป็นอกุศลพระไปปรุงแต่งมันเป็นอกุศลอกุศลสังขารก็เป็นอะไรเกิดเป็นนิวรณนขึ้นพอเป็นอกุศลปุ๊บเกิดเป็นนิวรณ์ขึ้นยังไม่นิวรณ์อะไรพยาบาทนิวรณ์เกิดเป็นพยาบาทหรือเปล่าถ้าไม่เกิดเป็นพยาบาทนิวรณนก็จัดอยู่ในแค่รู้แค่เป็นอกุศลธรรมแค่นั้นเองหรือไม่เกิดเป็นพยาบาทภุ้งซ่านหรือเปล่าเพราะความโกรธ ผก็รู้มเมื่อภุ้งซ่านเกิดขึ้นก็รู้ว่าภุ้งซ่านเกิดขึ้น <C oughs> เมื่อภุ้ง่านดับไปก็รู้ว่ามันดับไปรู้ทั้งเกิดรู้ทั้งดับสติปัญฐาสีมาแล้วสมปรปัญญาสีก็มาอีกที่นี่มาจากการเจริญสติปัญญาสี่เพียรละกิเลสเพียรละอกุศท <C oughs> ลศศที่เกิดขึ้นเพียรระวังไม่ให้อกุศลเกิดขึ้นเพียรเจริญอกุศลที่เกิดขึ้นเพียรรักษากุศลที่เกิดขึ้นแล้วไม่ให้เสื่อม ยินรียก็มาอีกกําลังทีนี้สติศรัทธาพละเชื่อความจริงคําว่าศรัทธานี่คือมันมันผ่านชั้นของการเชื่อแบบโฮมงนน์มาแล้วนะศรัทธานี่คื อ, อยังมั่นในความจริงไปแล้วเป็นเรื่องของความจริงแล้วเป็นกําลังแล้วเชื่อในความจริงว่ามันเป็นความจริงความโกรธหนึ่งอารมณ์ที่เกิดขึ้นนันเป็นความจริงเป็นสัจจะเชื่อในความจริงศรัทธาพละวิริยะพละ เพียรที่จะรู้ความจริงยอมรับความจริงนี้สติภาระมีสติรับรู้อยู่กับความจริงที่เกิดขึ้นสมาธิภาระตั้งใจมั่นไม่คลอนแคลนเมื่ออารมณ์ความโกรธเกิดขึ้นนี้ตั้งใจให้คงที่อย่าให้โอนเอ็หาหาคงความคงที่ของใจให้คงอยู่อารมณ์เมื่อมันคงที่แล้วกระทบ ก, ะกับจิตปั๊บมันจะคลายตัวแต่ถ้าโอนไปปับ๊บ ไปด้วยกันเลยไม่มีสมาธิพละ ก, กำลังเลียกวาลังสมาธิไม่มีคือยอมพุกกับมันยอมเป็นอาการที่มันเกิดขึ้นยอมมันทุกอย่างเพื่อที่จะรู้ปัญญาพละ ร, รู้การเกิดและการดับใช่ไหมปัญญาคือการรู้ความเกิดและความดับเป็นปัญญาเพื่อชาแนกิเลส อันนี้คือสมรภูมิานอินทรียห้าพาราห้าก็อันเดียวกันโพดิ์ทงเจ็ดก็มีอยู่ในนั้นมรรคแปก็จะเลยอยู่ในนั้น <มา S 1> องค์แห่งการตรัสรู้อยู่ในอารมณ์อันเดียวมาพร้อมกันเลยจะไปหาจากไหนไม่ต้องไปหาจากไหนก็จากอารมณ์ น, นั้นแหละแต่เราจะสร้างให้มันมาเกิดขึ้นจากอารมณ์อันเดียวนั้นหรือเปล่าโอ้ได้ประโยชน์มากเลยนะถ้าถ้าเรารู้ทางในอารมณ์อันเดียว ได้ประโยชน์มันครบเนบริวณองค์แห่งการสรุปมันี่นันเป็นขบวนเลยใช่ระบขบของมันแต่ถ้ารู้ไม่ทันก็เย่เข้ามาเป็นขบวนนี่นั่นทั้งอาสาวะทั้งอนุใสทั้งเชื้อแห่งโภคทั้งอะไรมันมาของมันเหมือนกันอนะทั้งโอกรของมันอนะอภิชาโทมนัสสังมาหมดเลย้าคนไม่เรียนมันจะเป็นแบบนั้นรู้แบบธรรมชาติบบาไม่เรียนอย่างเงี้ยเรียนมาโคตรชเจ็ีอะไรสมมประธานสม่าง รู้แบบนี้ไหมครับมันาเข้าไปเห็นเป็นได้มีภาษา เหตุที่เกิดทุกข์คืออะไร ก, ไๆๆก็ต้องไล่สิก็ที่พูดหมายถึงอ่ะต้องอธิบายให้จิตให้ได้เข้าใจไงจะไปรู้ซื่อไม่ได้ไง เ, เหตุที่เกิดทุกข์คืออะไรมันไว้ซ้ำน้ำห <ๆ S 2> นึ่งใช่ทำทักษเหตุที่เกิดทุกข์คืออะไรเ <ๆ S 2> ส้นผมนี่เหรอขนนี่เหรอเล็บนี่เหรอไล่ไปทีมีตัวไล่แต่เยอะแยะไล่หาความรู้อ่ะเดี๋ยวจิตมันจะจนต่อความจริงเองเมื่อจิตมันจนต่อความจริงมันจะยอมรับความจริงเมื่อจิตมันยอมรับความจริงเราบอกไม่ให้ยอมรับมันก็จะยอมรับ แต่ถ้าเมื่อมันยังไม่ยอมรับความจริงเราบอกให้ยอมรับมันก็ไม่ยอมรับเรามีหน้าที่อธิบายให้จิตได้ทราบหน้าที่ของเราอธิบายเท่านั้นบังคับมันไม่ได้เพราะฉะนั้นให้ข้อมูลที่ถูกต้องกับจิตไปเรื่อยๆเรืเร่อยๆื่ยๆมันจะเป็นตัวภาษาใช่ไครับอยู่เฉยๆนะก็อธิบายได้ใช่มไม่ต้องเป็ี่ยนเราไเจออะไรก็อธิบายได้อยู่ธรรมดาไม่ต้องเจอก็ลมกระทบก็อธิบายได้ใช่อธิบายได้อธิบายด้วยอริยสัจด้วย สติปัะญาอะไรอธิบายไปเลยให้จิตได้เกิด ค, ความเข้าใจบอกจิตถามว่ารูปดูอารมณ์ภายในภายในในแต่ละเรื่องเข้าใจในเหตุและผลที่ใจเรายึดมั่นในสิ่งนั้นเมื่อใจยอมรับมันก็จะวางเอง เราเป็นได้แค่ดูการเกิดดับของใจเจ้าค่ะถูกหรือผิดขอความเมตตาเจ้าค่ะเนี่ยถูกต้องเป็นอย่างนี้อันนี้บอกความถูกความผิดล้นะว่าสิ่งที่ทำอยู่เนี่ยถูกถูกแล้ว ด, ดําเนินกิจอย่างนี้ไปเรื่อยๆตามถูกไปเรื่อยๆจนสามารถทิ้งถูกให้ได้อันแรกต้องเอาถูกไปก่อนเอาถูกไปก่อนเพื่อเข้าไปปฏิบัติ ขอความเมตตาก็จงเป็นสุขเป็นสุขเถิดเมตตา <c oughs> yeah, <c oughs> เยอะไปั่นแหละเอาอันแรกบอกบอกให้ว่าถูกหรือผิดอันที่สองขอเมตตาใช่ไหมก็ให้เป็นสุขเป็นสุข <c oughs> ถูกแล้วปฏิบัติมาถูกแล้วเอ๊ปฏิบัติมาดีนะนี่เนี่ยปฏิบัติมาดีสงวนสืบซ้ำล้นเนี่ยปฏิบัติมาดี อตอนนี้ไงดูอารมณ์ภายในในแต่ละเรื่องคือเขาไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับภายนอกเลยนะคือภายนอกก็รวมอยู่ในภายในเลยนลยั่นแหละในแต่ละเรื่องเข้าใจในเหตุและผลที่ใจเรายึดมั่นในสิ่งนั้นเมื่อใจยอมรับมันก็จะวางเองเราเป็นได้แค่ดูการเกิดดับของใจ ถูกหรือผิดถูกผิดที่ผิดก็คือดันสงสัยว่าถูกหรือผิดก็มันถูกอยู่แล้วนะพอคนที่รู้อย่างนี้ก็ถูกรู้ทัดอยู่แล้วว่ามันวางถรืไม่วางอธิบายให้ผิดเยเราพอไปอธิบายเราที่บาให้เยแต่รู้อยู่ว่าที่ถามมาเพื่อเพื่ออะไรไม่ใช่ถามเพื่อความสงสัยหรอก ถามเพื่อเทียบเคียง่งนั้นเลยต้องเ อ, อาใ่ันตดีใช่มีความ้าเพียงจะเป็นครับที่ว่ า, าอธิบายถึงไปเรื่อยเรื่อยในความเพียงใช่ไปใบปีนไหนทำอะไรเราะเร า, เาพี่จริงพีธิบโม่งจบแล้วมันน้ง ปีสิบแล้วก็มันก็เห็นการดับแล้วก็ได้ได้แค่มันไม่ขาดอ๋ก็รอไปยืนเรื่อยทาไปเรื่อยใค่ะไอ้ตัดต้นไม้ทีเดียวมันจะขาดเลยชับเดียวมันก็ไม่ได้ชับอีกชับอีกชับอีกอยู่นั่นนะชับอีกอยู่นั่นนะชับอีกอยู่นั่นเน่นะใช่หมมันขาดเป็นเรื่องของความขาดไม่ใช่เรื่องของเราเรื่องของเราคือปฏิบัติตามมากอย่างนี้เาปสิมนกั้นป่ไม่กั้นก็เห็นการดับของมันอยู่จะไปกั้นได้ยังไง เอาปีติมาหล่อเลี้ยงก่อนหอเลี้ยงไปเรื่อยรลอเลี้ยงไปเรื่อยหอเี้ยเพราะเรารู้ตัวอยู่แล้วอย่างี้ว่าปีติหลอเลี้ยงผิดอยู่หลอเลี้ยงเพื่อสมผลให้ไปปีติไปสู่สมาธิใช่ไหมสมาธิไปสู่อุเบกขาอุเบกขาเพื่อเห็นทำตามความเป็นจริงเขาไปตามลำดับอย่างนี้เมื่อใดก็ตามที่เกิดปีติแล้วปั๊บมันจะไปสมไปสู่สมาธิเมื่อมาถึงสมาธิปีติจะดับเอง เมื่อสมาธิสมบูรณ์ไมให้เกิดอุเบกขาสมาธิจะดับเองเหลือแต่อุเบกขาอุเบกขาทำหน้าที่ในการเห็นตามความเป็นจริงมันก็จะดับเมื่อมเห็นตามความเป็นจริงแล้วก็เป็นยาลทธิชนะมเมื่อยาลทธินะเห็นความเป็นจริงแล้วมันก็ดับตัวของมันไปแล้วก็มารับเกิดใหม่ตามกระบวนการวนเวียนอยู่เนี่ยกระบวนการของโคดชมไปเริ่มที่สติใหม่ไงจนมาเป็นยาลัทธินะอีกเหมือนเดิมจนกว่ามันจะ ขาดก็เป็นเรื่องของการขาดไม่ที่เรื่องของเราทำแล้วทำเลาสิมันต้องอธิบายให้ิเรื่องละเอธิบายในลักอธิบายในรับของธรรมวิจัยมันจะเป็นเรื่องของการวิจัยธรรมวิจัยใช่ใช่มันจะใช้ความรู้ทั้งหมดในการวิจัยวิจัยวิจารณ์ธรรมอันนี้หรือ่ธรรมวิจัยมันถึงจะไปฮะมันไม่ไปถึงใช่ไหมความรู้ทั้งหมดมันโดตปิดอยู่ ไ ม, ไม่มันต้องส่งผลไปอย่างนั้นไม่ได้ปิติมันต้องเกิดมาตามภาพแห่งการทําวิจัยทําวิจัยเสร็จปั๊บก็เป็นวิรยิยะวิริยะก็เพียนวิริยะก็เป็นสงบระงับใช่ไหมสงบระงับก็เป็นปีติอิ่มใจปีติก็ส่งผลไปสู่สมาธิมันก็ต้องส่งผลไปอย่างนี้ตามลําดับจะไปบอกว่ามันกั้นให้ได้มันต้องเกิดมาตามลาดับเพราะปีติไม่ได้เกิดขึ้นมาได้ทัวร์เพราะมันมันเกิดมาจาก ปัสสัที่ความสงบระงับปัสสัที่ความสงบมาจากพิจารณาเพียงอยู่ตลอดเพียงทำวิจัยอยู่ตลอดกับการที่ปล่อยปล่อยให้ให้มันเกิดขึ้นเองแล้วเราคอยสังเกตอเงี้ยก็จะเห็นความาำทายก็จะเห็นความดักของมันแต่ถ้าเราพิจารณาจี่ลงไปว่าเกิดจากตรงไหนจําไว้ว่าผลที่เราทําทั้งหมดมาเพื่อเห็นธรรมตามความเป็นจริงเมื่อเห็นธรรมตามความเป็นจริงแล้วนั่นนั่นอะคือคือผลนั่นคือสิ่งที่เราต้องได้ ต้องเกิดไอพวกเนี้ยมันจะทิ้งมันเองจะวางมันเองถ้ามันยังวางไม่ได้ก็จะต้องทําเพื่อมันส่งผลไปให้เรื่อยเพราะองค์ธรรมมันจะส่งผลพองมันไปตามลำดับช่วยทำให้ทำไมล่ทุกครั้งเขาเลเวลาเกิดอย่างนี้ถือว่าติดติดไม่ไม่ติดมันมันยังไม่ไม่ไม่พอที่จะเข้าไปถึงส่งผลยไปมันยังส่งผลไปไม่ได้อมมลไ่ใช่ต้องเพียนต่อเพียนต่อพิจารณาวงควังไม่เทียงได้ไหครับ มันก็เป็นออะไรมันก็พิจารณามันอยู่ในองค์ของธรรมวิจรย์หมดแล้วมันเกี่ยวกับพยจารอันพวกนี้มันเป็นผลของปัสสัทธิปีติสมาธิเป็นผลเป็นผลไปเพมันเป็นผลที่ส่งไปไม่ใช่เราไปทำปีติให้เกิดขึ้นไม่ใช่มันเกิดขึ้นเองเกิดขึ้นมาอย่างไรเกิดมาจากปัสสัทธิปัสสัทธิมาอย่างไรก็มาจากวิริย์ย์อ์ม่ใช่ผิดแล้วป์ต์ก่อนแลย์ย์ย์ย์ย์ย์ย์ย ปีติก่อแล้วปัสธิหมายถึงว่าปีติแล้วมาเกิดความสงบสงบก็เกิดสมาธิขอส่งผลไปตามไปตามลําดับของมันมันเป็นผลผลที่มันเกิดแล้วมันต้องสง่งผลแล้วมันต้องสง่งแต่ปีติแล้วมันไม่ส่งนี่ไอตัวเนี้ยมันทายังไงเราก็ต้องมาดูอีกว่าทําไมมันไม่ส่งผลไปที่ปัสถีทําไมไม่ส่งไปที่ความสงบแล้วทําไมความสงบไม่ส่งไปที่สมาธิแล้วทำไมสมาธิไม่ส่งไปที่อุเบกขา ก็ต้องไปวิเคราะห์กันเอาเอาอนั้นในในจิตของตนเองที่มันเกิดใช่ก็มาที่พระอาจารย์อธิบายเป็นไหนอ่ะเนาะที่ทำเกือชนะโงคพดชมในจิตต้องไล่อาเหตุมันไม่ไปไ่อาห ก็ธรรมะวิจ it e ัยเอาเอาอย่างนี้ดีกว่าเอาไม่ต้องไปสนใจอารมณ์พวกนี้เอาธรรมะวิจัยเป็นหลักมันจะก้าวข้ามพวกนี้ไปเองก็เหมือนว่าเจออะไรก็พิจารณาตีลงเขาใช่มาจากตรงไหนมันจะยกขึ้นมาวิจัยของมันเองหากตัวตนไม่เจอทีนี้มันก็ปีติปีติเสร็จแล้วเห็นมันดับแค่นั้นนะมันก็เป็นแต่หนามือเขาวิในขันแล้วมจ คือต้องเข้าใจนะเมื่อเราทำมรรคผลขึ้นไปในระดับชั้นสูงขึ้นมันจะต้องสะสมสมาธิให้เพิ่มขึ้นด้วยมันจะต้องไปตารนะดับมันจะ อ, อันเบื้องต้นเนี่ยไม่ต้องใช้สมาธิมากใช้สมาธิธรรมดาเขาเรียกว่าสมาธิเป็นพื้นของจิตอันต่อมาก็เป็นต้องเป็น อ, อะไรอธิอธิจิตคือสมาธิให้ยิ่งทำให้ยิ่งขึ้นด้วย สะสมเนี่ยก็ต้องสะสมไปเรื่อยสะสมสมาธิไปเรื่อยๆให้มากขึ้นเพื่ออะไรเพื่อรองรับรองรับมรรคผลที่จะทําให้เกิดความบริบูรณ์ในการที่จะรักในองค์มรรคมันเลยมีอธิศีนอธิจิตอธิปัญญาอาธิปัญญามีชั้นของพระอรหันต์แต่ในชั้นของคนที่จะก้าวข้าสู่มรรคตามลาดับขึ้นไปเรื่อยๆต้องใช้ สูงขึ้นไปอีกสมาธิต้องสะสมให้มากถ้ายังมันสะสมไม่พอมันก็ยังไม่ถึงอุเบกขา ก็เลยคือสะสมสมาธิไปเรื่อยๆมันต้องสมาธิต้องพอพอเราไปโวมเราก็แยกๆหันเลยว่มามันจากมันก็เป็นธรรมวิจัยไหเดี๋ยว ม, ม, มันป็นปโผล่โคตรโมไปพอหาไรเจอมันก็ตีติดแล้วก็เห็นการณับของมันอย่างนีนอ คือว่าเก็บสะสมไปสะสมไปอย่าพึ่งม้อยให้มันขาดมันขาดตามกําลังประมาณเขาว่าเนีมันเป็นตรวนี้มานานแล้วใช่ไหมเอ า, าะนานแค่ไหนก็เขาบางคนมันข้ามโบกข้ามท่าเลยนี<ช>่บางคน <ไป S 1> โสดรบันก็โสรบันทั้งชาติ<ๆ>เกินกว่านั้นก็ไม่ได้บางคนสกนักกาคามีก็สกักกาคามีทั้งชาติ<ห>มันเกินกว่านั้นไม่ได้พรางคนาคามีก็อาณาคามีทั้งชาติมันเกินกว่านั้นมันมีขีดของระดับของของของใจอยู่เนียบางคนจะได้อลาหันในชาตินั้นถ้าไม่พยายามก็ไม่ได้ไม่แน่ ใช่ไหมล่ะเหนื่อยนไม่ใช่มานั่งนอนรอได้มันไม่ได้หรอกบุคคลผู้มีไฟแห่งอริยมรรคพลุกพงอยู่เนี่ยมานั่งเฉยๆให้มันเกิดผลเกิดอรหันตธรรมะรากิเลตเองไม่มีทางทานเขียนเอาแต่บุคคลมันจะได้แค่ไหนมันก็ต้องได้แค่นั้นตามชั้นอย่าไปคาดหวังอะไรไปมากกว่า น, นั้นกวา่าการที่เราจะสร้างเหตุแห่งการกระทาให้มันพอ พอถึงพอมันมันถึงจริ ง, รงเอ้ามันถึงเมื่อไร่เนี่ยเราก็จะเป็นอันนี้อย่เอ้ามันไปเมื่อไหรอย่างเนี้ยเดี๋ยไม่หลับมันขาดเมื่อไหรมันรักเมื่อไรแลยวแล้วแล้วก็จะย้อนกลับมานั่งหัวรอกกับคําถามตัวเองตอนเนี้ยพอไปถึงจุดนั้น <c oughs> กูไม่น่าถามเลยอยูง่ง มันผูกแล้วมัสบายใจได้เลยว่าผูกมันก็ไปอย่างนี้แหละไปกับความูกอย่างงี้อเทียบเทียบูกในปริยัติมันจะเป็นเหตุให้ดึงอะไรนะครับกี่ต่มาเป็นมานี่ก็ปนมาดูว่ามันตรงตรงบต้องตรงสิต้องต้องต้องตรงกับปริยัติไม่ตรงไม่ได้ใช่ที่นั่นระหว่างปฏิบัติใช่ต้องเทียบสมัยอัตมาปฏิบัตินี้ถ้าไม่มีความรู้ทางด้านปริยัติเข้ามาเทียบในจิตนี้ ทำมาไปไม่เป็นหมดตรงตรงมืดแฝดไา้บาอาจารย์ไม่เคยอธิบายทำมาละเอียดเหมือนกับที่ทามากำลังนั่งอธิบายกับพวกเราในเวลานี้ไม่มีแต่ดาอย่างเดียวดาอย่างเดียวคนเห็นแต่อารมณ์ในจิตอย่างเดียวตลอดทั้งวันสายจะสึก <c oughs> อกย่างเดียวทั้งอย่างเดียวเลยไม่มีใจที่จะปฏิบัติอะไรสักอย่างไม่ธรรมดามอยู่กับครูบาอาจารย์ <c oughs> จนจิตมันอยู่ตัวข้งมันได้ ทานอะไรมาเลยรู้นักมากมาเยอะแยะแต่เมื่อก่อนพวกเราเนี่ยได้ฟังเขาอธิบายขนาดนี้นี่แต่เมื่อก่อนนี้เราเรียนปริยัตเพื่อจะตอบคนอื่นนะก็แบบหรือว่าการเปลี่ยนอารมณ์เอนต่ว่าเราทุกเรื่องเนี้ยเราเอาไปยักเข้ามาเพื่อจะเปลี่ยนเปลี่ยนตังนี้ให้เราคิดไปอีกด้านเพื่อความสบายใจของตัวงแต่ตอนนี้ไม่ใช่ก็ค่ะเพื่อจะมาเลมือนพ่อจาาว่าปริยัตข้างในของตัวเองจริงไม่ได้เอามันปริยัตในตัวเองใช่ปริยัตเรียนรู้ในตัวเอง เอามาจี้ตัวเองเลยว่าตรงนี้มันเกิดจากตรงไหนตรงไหนไล่ไล่ไไล่ขาดว่าเกิดอาการอย่างนี้เกิดขึ้นคือสายยาคือจี้เข้าไปตั้งคำนักได้แล้วเพิ่มความรู้ไปอีกหน่อยตั้งคำนักสอนคนได้แล้วไม่เป็นแบ่งเบาภาระกันมันทีเนาะมันรู้สึกว่ามันยากเกิดในการจะจะจะลุกจะเข้าใจแต่ละอย่างคนอย่างนี้แหละเห็นไหมล่ะ อะล่ะอาธมากว่าจะฝืนที่จะมาสอนคนได้ฝืนความรู้สึกอย่างนี้มามยากจริงๆยากไ ม, ไม่ใช่ของง่ายนะยากมากมาการที่จะบอกคนการที่จะสอนคนยากยากจนอยากจะเดินหนีไม่เคยพูดอะไรกับใครเลยไม่เคพูดอะไรเลยเพรานาเราทำมามันไม่ใช่ทํามาแบบจะมาพูดให้มันมารู้เลยไม่ใช่มันทํามาแบบโอ้ยควบคุมตัวเองจนกันกองตัวเองจนขัดตัวตัวเองจน เป็นแทบตายมาน้ำตาน้องหน้าก็ยังมีไม่แนะแ้ตาจริงๆทุกอย่างว่จะเข้าใจได้แค่นี้ไม่รู้จะอธิบายคนอื่นอาารามเ่วานข้ายัดแทบฟังเรื่องของกูแปร์เขาาอาร่อฟังเต้องไปถามเจ้าตัวอาตมาก็เลฟังมาอีกทีต้องถามเจ้าตัวเขา พ อ, อแล้วเนี่ยเนี่ยไลฟ์พออนุมโมทนากับญาติโยมที่ติดตามรับชมรับฟังไลฟ์สดในเช้านี้ขอให้มีความสุขความเจริญทุกท่านเกิดดวงตาปัญญาเห็นธรรมทุกคนเนอะนอออโอ้พอระนารายา์นันฟังเนี่ยขนลุกเรื่เอเรื่อย